อาจารย์ครับกลาวนมรดการครับเดรินพรวนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์พอดีวันนี้มีการแจกหนังสือพระอาจารย์ครับสองเล่มครับภาษาจีนกับอธรรมะสดๆร้อนๆครับเพื่อนๆเลยเข้ามารอกันตอนนี้เกือบแปดร้อยคนครับอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้คนใส่บาตรเยอะเลยไหมครับผมอวันนี้เยอะหน่อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคน เป็นวันเป็นวันสุดท้ายของพรรษาครับผมแล้วเราันวพวกนี้ถึงจะเป็นวันออกพรรษาอันนี้เป็นวันสิบห้าค่ำยังไม่พ้นพรรษาพรรษาจะหมดพรุ่งนี้เช้าพอสว่างก็จะหมดก็เป็นวันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำอ๋อครับแต่วันนี้เขาเรียกว่าวันปวานาคือเป็นวันที่ พระเจ้าทรงให้พระภิกษุมาประชุมกันแล้วก็มาปวารณาตนเองคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้ว่ากล่าวตักเตือนตอนเองได้โดยให้กัสแต่และองค์นี้ให้กล่าวว่าถ้าท่านเห็นข้าพระเจ้าได้ยินก็ดีเห็นก็ดีสงสัยก็ดีในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรขอได้โปรดว่ากล่าวตักเตือนข้าพระเจ้าด้วยเถิด คือให้พระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันให้มีความยินดีที่จะให้วาก่าวตักเตือนเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เห็นความผิดของเราเองครับแ้วก็ทุกไม่ว่าจะเป็นพระที่อ่อนพรรษาว่าหรือแก่กว่าก็ได้ถ้าเห็นว่ามีพุทธกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ให้วาก่าวตักเตือนกันได้โดยไม่ถึอสาไม่ไม่ก่อเครื่องกันถือว่าเป็นการชี้ขุนทัพย์ครับ ปกติวันวันพระสิบห้าค่ำนี้จะเป็นวันที่มีการแสดงพระปฏิโมกข์ฝังพระปฏิโมกข์ทบทวนศีลสองอยิบเจ็ดข้อแต่วันสุดท้ายวันออกพรรษาก่อนออกพรรษาเนี้ยมีพระพุทธเจ้าให้เป็นวันปวารณาครับผมเป็นความรู้ใหม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับอาจารย์ถ้าถ้จะออกพรรษาต้องรอวันพรุ่งนี้อืมครับ แล้วแล้วพวกนี้มีตักบาตรเทโวที่วัดไหมครับอาจารย์ครับมีเคยธรรมเนียมตามธรรมเนียมทั่วไปนี่เขาจะตักบาตรเทววันออกพรรษาก็คือวันพวกนี้แต่วัดยาณี้เมื่อก่อนนี้ตักบาตรเทโววันวันวันปวาน่ะวันนี้วันสิบห้าครับสาเหตุที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เพราะว่ามีความเป็นมาเป็นคือวัดยาณตอนที่มาตั้งนี่เป็นวัดที่ เป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดป่าแล้วก็ไม่มีวัดแถวบริเวณนี้ที่เป็นวัดป่าแล้วก็มีพระ ป, ป่ามามาพักแล้วก็มาอบรมสั่งสอนญาติโยมให้เจริญจิตตภาวนา <Okay. S 1> ก็เลยมีญาติโยมมีศรัทธาอยากจะทำบุญใส่บาตรกับพระวั น, ว, นวันออกพรรษาตากบาตเทโว เนื่องจากว่าถ้าตักบาตรตรงกันถ้าตักถ้าตักบาตรวันที่แรมหนึ่งค่ำหรือพรุ่งนี้มันก็ไปตรงกับวัดวัดที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งก็อยากจะไปใส่บาตรที่วัดใกล้บ้านด้วยเพราะเคยใส่บาตเป็นประจําก็เลยขอให้ทางวัดจัดวันก่อนหนึ่งวันคือวันนี้อ๋อเลี่ยงไป อ, อ่าจะได้ญาติโยมจะได้ไปทําบุญได้ทั้งสองวัดโือทําบุญใกล้ทําบุญกับวัดใกล้บ้าน แลาก็ทำบุญกับวัดยานได้ถ้าจัดตรงกันวันเดียวกันนี้ก็ต้องเลือกแลว่าจะไปวัดไหนดีจะไปวัดไกล้บ้านหรือว่าจะไปวัดวัดยานาก็เลยสมเด็จพระสังฆราชแจ้งก็เลยอนุญาตให้ให้วัดยานนี้ตักบาทเทโวในวันขึ้นสิบห้าครับคือวันนี้ครับแลวที่มาเปลี่ยนในปีปีนี้หรือรปีที่แล้วนีนน้ก็เนื่งจากมีเจ้า ว, วาดรูปใหม่ท่านมา อยากจะทําให้เหมือนกับวัดทั่วไปคือวัดทั่วไปเขาตักบาตรแลมหนึ่งค่ำพวกนี้ท่านก็เลยอยากจะให้ทําเหมือนกันไม่อยากจะทําให้แปลกไปกว่าที่อื่นเพราะท่านเป็นวัดหลงเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดไปทําผิดปุ๊บผิดแปลกอ่ะทำเนียมของวัดทั่วไปก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่เหมาะสมท่านก็เลยขอเปลี่ยนจาก วันวันนี้วันสิบห้าครับไปเป็นพรุ่งนี้วันแรมหนึ่งครังครับผมครับส่วนเราก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้สังขารร่างกายเดินเดินไม่ได้ไกลเดินไม่ได้มากก็เลยขอขอขอลดการบินบาตรตักบาตเทโวครับคือจะได้ให้ท่านเจ้าว่าท่านจะได้เป็นหัวหน้าเดินไปด้วยก็ วันนี้เราก็จะไม่ได้บินบาตรในวันตัก บ, บาทเทววุ อ, อแต่ญาติโยมเขาก็เลยมาใส่บาตรในวันนี้แทนออ ใ, สใส่วันสุดท้ายคือวันนี้มันก็เลยมีญาตโยมาใส่บาตรมากผิดปกติ<ม>ซึ่งปกติถ้าเป็นวันพระธรรมดาทั่วไปที่ตรงกับวันเสาร์ที่ก็จะมีประมาณสัก300 400 450เป็นอย่างมาก แต่วันนี้เนื่องจากว่าถือว่าเป็นวันประวาันาเหมือนวันออกพรรษาก็เลยมาใส่บาทกันมากเป็นพิเศษนี่ก็เป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆออกมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเราท่านที่ต้องการจะตักบาทเทวุพรุ่งนี้ก็ยังมาสามารถสามารถจะตักบาทได้พรุ่งนี้ที่วัดยาเขาจัดกันมครับนถ้า ต, ตัวเราจะไม่ได้ลงเดินก็เดินไม่ไหว ถ้าให้นั่งรถก็อา จ, จะไหวแต่ไม่ก็ไม่ได้อยากที่จะไปนั่งก็เลยก็เลยขอวัดพักหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ที่พานอำเภอก็ไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ไม่มีพรุ่งนี้วัดทุกวัดจะไม่ได้ออกเบิณฑบาตกันวัดทุกวัดจะเบิณฑบาต ท, ที่ที่วัดกันครับปิวัยาเนี่ยที่แป๊เมื่อก่อนเนี่ มาออกเป็นทบาทในวันที่เขาไม่บินทบาทกันนี่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ท่านเจ้าวาดต้องการจะเปลี่ยนเพื่อจะได้อไม่เป็นเป้าหรืออะไรก็ไม่ทราบเราไปเปลี่ยนให้ให้เหมือนกันให้เหมือนกับวัดทั่วไปครับอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่เล่าเกร็ดเหล่านี้ให้ฟังก็ฟังแล้วก็ดีนะครับมันมีที่มาที่ไปดีครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องยอมรับความจริงครับพอดีวันนั้นไปเห็นคลิปพระอาจารย์คลิปหนึ่งแล้วก็เห็นคํานี้แล้วมันสะดุดสะดุดใจครับก็เลยอยากกราบขอความเมตตาพระอาจารย์อสอนวิธีที่จะทำให้ยอมรับความจริงให้พวกเราหน่อยครับพระอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับคือความจริงนี่เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมแต่ความหลงของเรากิเลสของเราตัณหากิเลสตัณหาของเรานี่ มันอยากจะเปลี่ยนแปลงความจริงเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปนี่เราไม่อยากจะสูญเสียเราไม่ยอมรับความจริงทั้งที่ความจริงมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นชัดๆอยู่ว่าเขาจากเราไปแล้วจะจะไม่ให้เขาจากไปมันก็เขาก็ไม่กลับมาแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาอย่างที่พระอย่างที่ตาลปัดเขาเขาเขียนไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี อันนี้ก็คือความจริงคือความตายนี่คือความจริงแต่เราไม่อยากให้คนตายเพราะเรารักคนที่เราเราอยู่ด้วยเรารู้จักเช่นคนที่มีพระคุณกับเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้บาอาจารย์ครอบครัวของเราเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ไปกับเราไปนานๆานความอยากนียกว่าเป็นความหลงเพราะมันไม่ตรงกับความจริงแล้วพอความจริงปรากฏขึ้นมามันก็เลยทําให้ทุกข์ใจกัน ทุกในอริยสัจสี่ความอยากอยากไม่ตายอยากไม่ให้คนตายครับแต่ความจริงมันคนตายไปแล้วก็มีวิธีเดียวที่จะทําให้ไม่ทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากไม่ให้ตายต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตสอนจิตให้รับความจริงนี้มันก็จะรับไม่ได้พระเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธราหมันจเจริญมานานุาสติอยู่เรื่อย เรามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพาดจากของรักของจรรใจทั้งหลายทั้งปวงไปซึ่งถึงแม้ว่าเราจะท่องกันทุกวันทุกคนืนมันก็ยังรู้สึกเสียใจยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิเจรรยสตินั่งสมาธิแล้วทาจิตให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอขกขตารลมเข้าเสวะ รูปฌานขั้นที่สี่นะเราก็จะมีอุเบกขาอุเบกขาก็จะทําให้ใจเราเฉยปราศจากอารมณ์รับชังกลัวหลง mm. ถ้าเรามีถ้าเรามีอุเบกขาแล้วแ้วเรามีปัญญาสอนสอนความจริงให้กับเราพอความจริงเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นจริงอะแล้วเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มัน เป็นอย่างอื่นมันรับมเป็นอย่างนี้ย้ายเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนที่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะจะยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรับความจริงไม่ได้ก็แสดงว่าเราขาดอุเบกขาถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญาแต่มันเป็นจินตมยะปัญญาหรือสุตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา เลยจากการที่เราเอามาค่ายคนพิจารณาอยู่เนืองๆยังมีกำลังไม่พอที่จะทําให้ใจเราไม่ถูกเพราะว่ากิเลสมันยังไม่ถูกสมาธินับไม่นับแปดเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธินี้เรานับนับกิเลสนับสิบเลยก็ว่าได้นับแปดนี่แบบเพราะมันยังไม่ตายยมันยังพอพอจากสมาธิมากิเลสก็ยังเริ่มมีพลังอยู่ ใจมันจะอ่อนกำลังลงไปมากถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆนี่เวลาเราออกมาใจเราจะมีอุเบกขาเยอะแล้วพอเรามาเจอกับสภาพความเป็นจริงต่างๆที่เราไม่ปรารถนาที่เราอยากไม่ให้เกิดนี่เราก็จะทำใจได้เราก็จะทำใจปล่อยวางยอมรับความจริงได้ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วก็มี ปัญญาคือมองเห็นไตรลักษณ์มองเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งปวงอันนี้ก็จะเป็นภาวนามย์ปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมถภาวนาคื อ, อคือสมาธิปัญญามีสามสามชนิดด้วยกันสุตตามย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังอย่างตอนนี้ เรยกว่าเป็นสุตตามยาปัญญาแล้เราได้ฟังแล้วเราก็ไปพิจารณาค่ายโกนอยู่เรื่อย เ, เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมอันนี้เรียกว่าจินตามายาปัญญาแต่ปัญญาต้องอ่านนี้ถ้าใจไม่มีสมาธิยังไม่สามารถไปยับยั้งความอยากได้ความอยากไม่ให้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นได้เราจะยับยั้งความอยากได้ก็ต่อเมื่อเราไปเจริญ ส, สมถภาวนาทําใจให้สงบ เมนูเบกอรขึ้นมาเมื่อเราเมนูเบกอรมีสมถะภาวนาปัญญาที่เราได้จากสุดตะหรือจินตาก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่สามารถระ ง, งับดับความทุกข์ได้หยุดความอยากได้เนสําหรับญาติโยมส่วนใหญ่ที่ถ้าถ้ า, ถายังไม่ได้ฝึกสมาธิยังเข้าชาญไม่ได้เนี่ยจะมีแต่จินตามยปัญญาหรือสุดตามยปัญญาซึ่งยังไม่มีกําลังพอที่จะ หุดความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ยิ่งถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความพลาดพลาดจากการไม่อยากจะทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราลากไปเราก็ต้องฝึกสมาธิกันฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเจงริกสติเป็นกว่าเราจะทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้แล้วพอได้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะรับกับความจริงได้ บางทีเราอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาที่ที่น่ากลัวดูที่เสี่ยงภัยต่อความเป็นความตายของชีวิตเราไปดูว่าเมื่อเราไปอยู่ในที่มีภัยที่อาจจะทำให้เราเกิดความตายได้เราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวไม่ว่าเราจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าตื่นเต้นหวาดกลัวก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขายังมีรากชังกลัวหลงอยู่ ถ้าเรารู้สึกเฉยๆไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กังวลหรือว่านี่นคือความจริงถึงเวล า, าร่างกายจะต้องตายมันก็ไม่มีใครมายับยั้งมันได้ก็ยอมรับความจริงได้ปฏิบัติแล้วต้องไปทดสอบดูถึงจะมั่นใจเพราะบางทีเรายังไม่มั่นใจว่าเราอยอมรับความจริงได้หรือไม่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความความเป็นความตายแล้วเราก็จะรู้ว่า เรารับความจริงได้หรือไม่ครอาจารย์ครับแล้วก็คือสรุปว่าเราก็คือต้องเจริญสติไปเรื่อยๆเข้าสมาธิให้ได้ชาญให้ได้เราถึงจะยอมได้ใช่ถ้ามีชานในอุเบกขาแล้วเราจะยอมรับความจริงได้เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นคนเป็นทรัพสมบัติเจ้าของเงินทองหรือยศตำแหน่งต่างๆเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาที่เรายังจะเสียได้ อย่างคุณหมอมีตำแหน่งอะไรถ้าเกิดเขาถอดถอนไปเลยก็ยังรูง้สึกเสียดา ย, ยามีของที่รล้รถยนเนื้ออะไรเกิดมันหายไปก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ตอนนี้ไม่มีตำแหน่งแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ออกมาแต่วันนี้ก็มีก็มีมาให้หลอกใจอยู่นะครับอาจารย์วันนี้เขาก็มาชวนมาเป็นรองนายกอยู่กับเป็นรองนายกอปปอยร์ <c oughs> เขาก็มาชวน <c oughs> อยากจะไปไม่เลยไม่ไปครับอาจายอยู่เฉยๆดีกว่าครับอมไอ้อมันเป็นสุก็เป็นทุกข์ถ้าคนมีความน้องก็จะทำเป็นสุขมีหน้ามีตามีเกียรติะชมีอำนาจแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะทำเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอ น, นิจจ์ชั่วครามอย่างก็หมดครับวันนี้เขามาชวนผมก็เลยยังบอยังแบกไม่เอาลเลยครับยังไม่สะดวกเขา <laughs> ตัดไปเลยนะมันยังสองจิตสอใจอยู่คือคือ ยังไม่ได้ตัดครับแต่ว่าเป็นมารยาทไปก่อนครับแต่สุดท้ายก็คงไม่ได้ไปหรอกครับอาจารย์เพราะว่าอยู่เฉยๆดีกว่าครับไม่เสียมารยาทนะถ้าตัดไปทันทีทันใดก็อาจจะรู้สึกไม่ครับไม่ไม่มีน้ำใจในต่อกันนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอันนี้จะพยายามฝึกให้ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ครับพระอาจารย์ครับ เขอโอกาสถามถามจากเพื่อนๆนะครับคุณแว่นครับขอคำแนะนำการฝึกจิตให้ยอมรับกับความตายเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึงจะทำอย่างไรให้ไม่กลัวตายไม่ให้เป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองลูกเมียได้ครับก็อย่างที่เราเพิ่งคุยกันามาเมื่อกี้นี้ก็ต้องคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแลวเขาจากเราไปถ้าเราอยากถ้าเรา ไม่จะทำใจให้เราไม่ทุกข์ไม่กลัวเราก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอปปนาสมาธิให้มีอุเบกขาแล้วหลังจากนั้นใจเราก็จะยอมรับความจริงนะจะรู้สึกเฉยเฉยไปก็ไปสิไม่งั้นก็ต้องไปอยู่ดีคาถามก็มาคล้ายๆกันครับให้ยอมความแก่ความตายและความผัดผ่าได้ด้วยใจที่เป็นกลางจะทำอย่างไรครับ ทำสมาธิไปฝึกสมาธิฝึกสติก่ อ, อนจะได้สมาธิต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดน้อยที่สุดคิดเท่าที่จาเป็น น, นั้นคุณสุพิน ญ, ญาครับ เวลาทําบุญจะพูดว่าขอทําบุญหรือปัจจัยนี้แด่สงสาโวของพระพุทธเจ้าแบบนี้ได้ทั่วไปของสงใช่ไหมคะก็ไม่เทราบนะครับทำไมจะต้องพูดด้วยก็ทําไปเลยก็ได้หรืออยากจะพูดก็ได้ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรการขออ น, นุญาตหาคอมเมนต์ครับ น, นะครับพอดีวันนี้คอมเมนต์เยอะเลยครับผม พอดีชวนเพื่อนเพื่อนทำบุญลงพยาบาลกันก็เลยคนพิมพ์มาเต็มเลยครับคุณแต้มสีครับสงสัยว่าการสวดมนต์ยาวๆถ้าเกิดเราสวดแต่คำแปลภาษาไทยไม่สวดภาษาบาลีจะมีอานิสงส์เหมือนกันไหมคะเช่นคาถาชินบัญชนพระปริศติสองตำนานผม ร, รู้สึกความหมายของบทสวดดีมากถ้าได้สวดภาษาไทยจะกินใจกว่าครับก็จะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะนอกจากจะได้สติสมาธิแล้วยังได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจบทสวรที่เรากำลังสวดอยู่ได้เรียนรู้ไปในตัวเหมือนถ้าเรามาสวนส่วนบทสติปัฏฐานสวดเนี่ยที่เราตอนที่เราเริ่มฝึกกัรใหม่ๆแล้วก็ส่วนสติปัฏฐานสวดเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษอะแล้ว่าเข้าใจความหมายตั้งแต่เริ่มต้นเ<ม>ลยว่าอ๋อบทสวดนี้สอนให้เราจเจริญสติสอนให้เรานั่งสมาธิ<ม> ตอนนี้เราพิจารณาร่างกายเวทนาจิตมันมีคุณประโยชน์มากมันเป็นเหมือนแผนที่บอกทางไปสู่พระนิพพานเลยทีเดียวแต่ถ้าเราสวดเป็นภาษาบาลีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้สติเพื่อยับย้ำความคิดผูกแต่ผูกความทุกสร้างต่างๆเท่านั้นเองพระอาจารย์ครับแล้วในพระสติปัฏฐานสูตรภาษาอังกฤษนี้เขามีคําที่ไปย้ําย้าเหมือนกับที่เราอ่านภาษาไทยไหมครับ เขาก็เขาก็มีหรือบางบางสูตรเขาก็ย่อเอาแต่แคถ้ามันซ้ำๆเขาก็ข้ามไปสรุปไปแต่ความหมายของภาษาอังกฤษนี่มันมันตรงประเด็นกว่าเพราะว่ามันไม่มีภาษามันไม่เกี่ยวกับรายชาสั์แล้วไม่เกี่ยวกับภาษาของแบบของไทยเราแล้วเอาภาษาบาลีมาใช้ในความหมายของภาษาไทยซึ่งมันมันเพี้ยนไป เช่นคำว่าทิฏฐานเนี่เราเอามาแปลว่าเป็นการขอครับในภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีนี้ท่านหมายถึงการตั้งใจการตั้งเป้าหมายมันก็เลยทําให้เรางงเวลาเราอ่านภาษาไทยคําว่าเวทนาก็เหมือนกันบางทีแล้วก็เอามาแปลว่าสมเพศเวทนาน่าสงสารแต่อพอเรามาอ่านเวทนาในขันห้ามันไม่ใช่เนี่ยว่เวทนาก็คือความรู้สึก สังขารมันก็เหมือนกันสังขารแล้วก็มาใช้กับร่างกายร่างกายคือสังขารร่างกายแต่ความจริงสังขารที่หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตแต่มันก็สามารถนํามปาปว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเป็นทางจิตหรือทางร่างกายมันก็เป็นของปรุงแต่งเหมือนกันร่างกายก็ปรุงแต่งด้วยธาตุสีเนี่ยมันจะทําให้คนอ่านศึกษาใหม่ๆนี่สับสนมากวันไหนจะถานมี ราชาศัพท์เข้ามาแถมด้วยมีมพระโอษฐ์พระกันมีอะไรต่างๆบางทีอ่านแล้วต้องไปเปิด Dictionary ดูถึงจะเข้าใจความหมายว่านี่หมายถึงอะไรงนการศึกษาภาษาไทยนี้น่าสงสารน่าสงสารคนที่ศึกษาภาษาไทยนี่จะงงเพราะมันมีความหมายด้วยกันในคําคําเดียวกันแตถ้าอ่านจากภาษากีนนี้มันแปลตรงความหมายเลยเพราะฝระังมันต้องการเข้าใจความหมายว่าคํานี้หมายถึงอะไร เขาก็จะแปลตรงกับความหมายนั่นเลยเมตนาเขาก็บอก feeling เลยมีคำเดียวเมตนาคือ feeling ร่างกายรูปะก็คือ body ตรงไปเลยตรงประเด็นไปมาลองไปอ่านดูเลยภาษาอังกฤษเเสิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษก็ได้มีเยอะๆที่ัแล้วจะเข้าใจง่ายกว่าอ่านภาษาไทย อาจารย์ครับแล้วผมสงสัยว่าทําไมในพระไตรปิฎกต้องมีการพูดย้ําไปย้ํามาในประโยคเดิมๆครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันขันห้าเนี่ยมันมีห้ารอบใช่ไหมก็ดูปัมมานิจังเวและก็เวทนานิจังมันก็ห้าครั้งแล้วก็มาเวทนาก็ห้าครั้งเวทนานิจังทุกครั้งหน้าตาก็สามครั้งคันห้าก็ห้าครั้งรวมกันก็เป็นสิบห้าครั้งไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่า สมัยก่อนเพื่อเพื่อจะให้จดจำได้ง่ายให้ให้ท่องบ่อยๆเพราะสมัยก่อนนี้พระธรรมคำําสอมพระเจ้านี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษรพระสงฆ์เนีคยาอามาท่องจํากันเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวแล้วฝึกความจําไปในตัวฝึกปัญญาไปในตัวด้วยหลัที่พระเจ้าแสดงธรรมจนธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรพอฟังใส่ก้าวมานั่งจดจํากันมาท่องกัน ค, ค, คุณนันทพัฒน์ครับวันนี้เป็นวันปวารณาออกพรรษาถ้ากอกขอโอกาสถามพระอาจารย์สิ่งใดที่ได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจเจตนาและไม่เจตนาออกลับขอเข้ามาพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นธรรมเนียมเลยไหมครับพอาจารย์เห็นผู้บาอาจารย์จะเดินทางกันช่วงออกพรรษาเพื่อไปกลับขอเข้ามากันนะครับ ควาจริงก็ไปปภาวนาตัวนั่นแหละไปปรนอกาสให้ครูบาอาจารย์แม่กล่าวว่ากล่าวตักเตือนกัน <ừ. S 1> แล้วสมัยหลวงตามีมีคนมามีพระมาเยอะไหมครับอาจายเวลาออกปัรษาอย่างนี้ก็ทั้งที่ตอนสมัชิดเราอก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเวลาที่มีคนมา ห, าหลวงตามขาจะมาช่วงที่เราอยู่ที่กุฏิเ <ừ. S 2> ขาไม่มาช่วงตอนเช้าหรือตอนที่เราฉันเ มัจะมาช่วงกลางวันช่วงบ่ายอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ยังอยู่ที่ปุฏิอยู่เพราะอะไไม่รู้ว่ามีแขรใครไปมามาหลวงตากันมากน้อยเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้าเข้ามาตอนเช้าตอนที่ฉันนันถึงจะรู้ดังนั้นส่วนใหญ่จะไม่เห็นพระส่งองคเจ้าจะมาทำวัดใดกับหลวงตาไม่ก็าอาจจะมาก็ได้แต่เราไม่เราไม่ทราบนีแต่ส่วนนลวงตานี่จะไม่พาวัดพระวัดพระวัดป่ามันตาดไปทำวัดกับครูบาอาจารย์ท่านไปองค์เดียว ท่านบอกว่าการปล่อยให้พระออกนอกวัด น, นี้เหมือนปล่อยปล่อยลิงออกจากกรงเดี๋ยวจะไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพรออกไปแล้วมันสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วกลับมาจิตจะฟุง้งซ่านนั้นดีไม่ดีจะไม่อ ย, อยู่อยู่ไม่สงบทําใจให้สงบได้ยากท่านก็นเลยไม่พาพระในนอออกไปทำวัดกับครูบาจารย์ท่านจะไปของท่านองเดียวครับถ <c oughs> ้านไม่อยากให้พระออกจากวัดเลยมีญาตโยมา นิมนต์พระไปชั้นที่บ้านก็ไม่ไม่ให้ไปถ้าจะไปถ้าต้องการจริงๆท่านก็จะไปองค์เดียวแทนแล้วให้เป็ น, นิมนต์พระวันอื่นม oh. ีมีญาติโยมบางนคนอยากจะได้พระเก้ารูปจากวัดป่ามันตาดไปชั้นหลวงตาบอกให้เลือกเอาถ้ายาวเก้ารูปเราไม่ไป <laughs> ถ้ายาวเราก็ไปองค์เดียว oh. เขาก็เลยต้องเดินเอาองคเดียวท่านดีกว่า คุณมาริษาครับทําไมคนเราถึงกลัวความจริงและไม่กล้ายอมรับความจริงเจ้าค่ะอาจารย์ความหลงหนึ่งแล้วความอยากหนึ่งความหลงก็คือไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นสิ่งที่เราจะสามารถรักษาอยู่กับเราไปได้ตลอดสองเมื่อหลงแล้วเราก็ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆอาศัยตาหูจมูกเลี้ยงใจ เราก็เลยไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไร้นเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เราจะไม่ยอมรับความจริงเราเลยหลอกตัวเราเองว่าเราจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันจบเราจะตายก็ตายแบบปุ๊บปับ๊บแบบไม่มีอะไรอแบบตายแบบกระทานันอะไรทำนงนี้แต่ตรงนั้ขนาดตายกระทานาันยังไม่ยอมรับอยู่ดียังไม่ยอมตายไม่มีใครยอมตายกันทั้งคน จากคุณสอนครับเหตุใดการทําบุญทําทานซึ่งเป็นการเสียสละทรัพย์และผู้ได้รับได้ประโยชน์จึงมีอนิสงส์น้อยกว่าการทําสมาธิเจริญภาวนาซึ่งไม่ได้เสียทรัพย์และผู้ได้รับประโยชน์คือตอนเองเท่านั้นครับอ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดเกลอกิเลสความโลภความโกรธความหลงการทําทานนี่ขัดเกาอกิเลสได้น้อยกว่าการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาใจของเราจะสงบจะมีความสุข ก็เกิดจากการกําจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจซึ่งการทําทานนี้กําจัดได้เพียงบางตัวบางส่วนคือตัวตนีตัวความโลภอยากได้เงินเข้าของเงินทองนั่นเองในความโลภความอยากอย่างอื่นยังกําจัดไม่ได้การอยากจะทําบาปนี้ยังกําจัดไม่ได้ต้องอาศัยการรักษาศีลถึงจะสามารถยับยั้งการก็ทําบาปได้เอาการอยากจะเสพรูปเสียงกินรสต่างๆนี่ที่ศีลไม่ห้ามนี้ ก็ยังเสษได้อยู่ถ้าไม่ภาวนาถ้าอยากจะหยุดมันต้องภาวนาต้องฝึกจิตทาสมาธิให้จิตนิ่งสงบพอจิตนิ่งสงบแล้วความอยากทั้งหลายก็จะหยุดไปทันทีชั่วคราวถ้าอยากให้มันหมดไปอย่างทาวรก็ต้องใช้ปัญญาซึ่งระดับของความสุขที่เราได้รับจากการทําทานนี่มันน้อยกว่าระดับความสุขที่เราจะได้รับจากการภาวนาการทําสมาธิทำจิตให้สงบ การกำจัดกิเลสได้ปัญญา อ, อันนี้สองมันต่างกันตรงนี้เราไม่ได้ไประโยชน์เรื่องของข้าวของเงินทองอะไรต่างๆอันนี้อันนี้มันเป็นส่วนย่อยประโยชน์หลักก็คือใจของผู้ผกระทาเองคุณม็อก่าครับอยากทราบว่าระหว่างเฉยๆในเวทนากับการวางอุเบกขาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับ เวทนาไม่มีเวทนาเฉยๆหรอกมันมีไม่เฉยไม่สุขไม่ทุกข์แต่เราไปแปลว่าเฉยๆคอามจริงมันมีความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเวลาเราหิวข้าวนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาพอรากินกินข้าวอิ่มก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาในช่วงที่เราไม่หิวเราไม่อิ่มอันนั้นแหละเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนาไม่ใช่เฉยๆเวทนาืเฉยเวทนาไม่มีเราศึกษากันแล้วเราไปแปลความหมายกันเราเองนัเอง การเฉยเฉนี้หมายถึงอารมณ์ภายในจิตไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเรียกว่าเฉยเฉยอุเบกขาถ้ายังมีรักไม่ชังไม่กลัวม่หลงอยู่นี่แสดงว่าไม่จิตยังไม่เป็นอุเบกขาเวลาได้ยินใครเขาชมแล้วเกิดความสุขดีใจชอบขึ้นมาเนี่ยก็สแสดงว่าไม่มีอุเบกขาเวลาเขาเขาตำหนิแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาก็สแสดงว่าไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาเราจะเฉยเฉยเขาชมก็จะเฉยเฉย เท่านาก็จะเฉย ๆ, ๆมีผลเท่ากันพรอาจารครับถ้ารู้สึกไปก่อนตามอารมณ์ที่เขาเป็นมาแล้วเราก็วางวางได้ด้วยความด้วยสติหรือปัญญายอย่างนี้พอพอเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ก็แสดงว่ายังยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ทันการยังยังช้าก ว, ว่ากิเลสกิเลสมันยงังเร็วกว่าแสดงว่าเบิกขาเรายัางน้อยนึสติเรายังน้อยกว่าสติปัญญาเรายังน้อยไม่ไม่ทันการ ถ้าทันการนี้มันจะมันจะเฉยคือต้องกำจัดมันให้หมดนะมันจะถึงจะเฉยได้ตลอดเวลาแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่พอบางทีก็อยู่ที่ว่าเราจะเตรียมตั้งรับหรือไม่รับบางทีเราก็ตั้งรับก็ไม่รู้สึกโกรธใช่เวลาเรารู้ว่าจะต้องไปหาใครก็เราอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะตําหนิเราอ่างนี้ยเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนอย่างนี้พอเขาตาหนิเราเราก็เฉยเฉยได้ แต่ถ้าเกิดมนันมีคืนดีเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเข้ามาตำหนิเร า, า, ต, มมเราตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมายันดีแล้วถ้าเรามีปัญญามีสติแล้วอาจจะยับยั้งความโกรธให้มันเฉยๆต่อไปก็ได้หรืออาจจะไม่เฉยก็ได้บางทีเขาดา่าเราตอนเช้าตอนเย็นก็ยังโกรธเขอยู่ก็มีคุณลินละด่าครับ วันออกพรรษาทําไมต้องตักบาตรใส่ขนมต้มเจ้าคะอย่างโบราณว่าพระเขาเอาตอกพระออกเอาต้มคือวันเข้าพรรษาใส่บาตรด้วยเขาตอกส่วนนัดออกพรรษาใส่ขนมต้มครับก็เป็นประเพณีธรรมเนียมที่กลายมาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในในในในปฏิทินของชาวพุทธเราวันออกพรรษาก็เหมือนกับว่าพระสองที่ตั้งใจมาบวชหนึ่งพรรษาก็ได้ทําหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็อยากจะอ แสดงความเชื่นชมเยนดีกับเขาว่าเอาอยู่ได้ทั้งภาษานะไม่ไม่แหกคาษาไปซะก่อนทำนองนี้เท่านั้นเองมันเป็นธรรมประเเพณีแต่ของพระอาจารย์นี่จะเข้าภาษาภาษาก็เหมือนกันหมดเลยครับอาจารถ้าทำาว่าปฏิบัติแล้วไม่มีแตกต่างกันวิธปฏิบัติไงในภาษานอกภาษาก็ปฏิบัติต่อไปเหมือนเดิมจนกว่าจะไม่มีกิเลสให้ปฏิบัติแล้วเท่านั้นนะถึงยาะถึงจะไม่ปฏิบัติ เส้นเศรฐกิจบ ร, รมอาจารย์มุสิตังม ร, รมาจารย์เมื่อไหร่ก็ไม่มีกิจอันใดที่ต้องทําอีกต่อไปทำเขาเป็นกิริยาไปทั้งนั้น <c oughs> คุณมานพ ค, ครับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีทําให้ชนะใจตัวเองแบบสัมมาทิฏฐิควรทาแบบไหนปฏิบัติอย่างไรครับสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นความจริงไเช่นการไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือสัมมาทิฏฐิ แล้วเราก็พยายามทําใจยอมรับมันให้ได้เท่านั้นเองถ้ายอมรับไม่ได้ก็แสดงว่าใจเราไม่มีกําลังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันไม่ยอมรับเราก็ต้องเราก็ต้องเพิ่มกําลังของใจเราให้มีอุเบกขาพล้วนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นรูปฌานที่สี่พอเรามีอุเบกขาแล้วเรามีสมาธิฏฐิว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะทําใจได้ ชนะใจของตัวเราได้ไม่ไม่ทุกข์กับความเป็นควาตายของร่างกายได้คุณเทพรักษาครับในกายคตาสติปัฐานคําว่ากายสังขารระงับมีลักษณะอย่างไรครับก็คุณจะหมายถึงเวลาที่เรานั่งเฉยๆมันไม่มีการเคลื่อนไหวสังขารแล้วครับถ้าร่างกายนะร่างกายคือสังขาร อันนี้บางทีความหมายบางทีถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ไม่ต้องกังวลมากนะจนเกินไปนะขอให้เราเข้าใจตัวหลักๆว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยมมันเป็นหน้าตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเป็นอะไรอย่างไรเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้อยอมรับให้มันปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมันเพราะการแปลภาษานี่บางทีมันก็แปลแบบแบบที่เราเคยแปลกภาษาอังกฤษจากไทย็บจากภาษาอังกฤษมาเป็นไทย เวาไปบอกฝั่งหลังว่าเรา s p e a k English snack snack fish fish เนี่ยฝ่งหลังก็งงเราพูดภาษาอังกฤษงูปลาปานี่ภาษาบาลีเ็าอาจจะเป็นแบบนี้งูปลาปาแล้วเราก็แปลมาตรงตัวงูปปลาเพราะเราอ่านแล้วเราก็เลยงงว่าหมายความว่าอะไรวากายในกายการพิจารณากายในกายนี่พิจารณาไงไม่รู้ไม่เข้าใจพิจารณาเวทน า, ทนาในเวทนาพิจารณาไง มันอาจจะเป็นสัพท์ภาษาให้พูดหมายเขำว่าให้พิจารณาเวทนาเท่านั้นแหะให้พิจารณาให้รู้ว่าเวทนาเป็นอย่างไรนั่งกายเป็นอย่างไร เ, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ทนองนี้งั้นถ้าเราไปอ่านจเจ้าความหมายทุกคาำหมายที่เราไม่เข้าใจนี่เราก็จะติดอยงนั้นเราก็จะไปไหนไม่รอดแต่ ถ, ถ้าเราอ่านแล้วดูภาพรวมของของบทที่สอนว่ามีความหมายอย่างไรแล้วก็จะ เราก็จะเข้าใจความหมายว่ามันเป็นเรื่องของการการแปลภาษามากกว่า ค, คุณเที่ยวไปเรื่อยครับถ้าร่างกายยังแข็งแรงควรรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นก่อนที่ร่างกายแก่สลาภาพที่จะปฏิบัติไม่ไหวใช่ไหมครับถูกต้องก็เหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเราต้องการจะเดินทางไปไหนเราใช้มันตอนที่รถมันยังใช้ใช้ได้ดีอยู่ถ้ามันเสียช้ำรดซุดโซเราจะขับมันไปได้อย่าง คุณลินลดาครับคุณแม่ของลูกจากไปได้ประมาณหนึ่งเดือนลูกเศร้าและเสียใจเกือบทุกๆวันค่ะจนสุดท้ายมาคิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนได้แล้วลูกจึงวางใจได้เจ้าค่ะก็ะยอมรับความจริงนะมันผ่านไปแล้วแต่บางทีต้องใช้เวลากรัมกิเลสมันถึงจะหมดเวลาใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็มีสหรับคนบางคนคุณริฟินครับ เมื่อเราตายไปแล้วไม่มีสมองแล้วตัวจิตยังคงมีความสามารถในการคิดได้หรือไม่ครับเพราะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวคิดไม่ใช่สมองสมองคิดไม่ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์ทางแพทยทางการแพทย์เขาคิดว่าสมองเป็นผู้คิดแต่ตามทางทางหลักพุทธศาสตร์นี้ถ้าว่าจิตเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้มีความรับรู้สึกมีเป็นผู้รู้ผู้รับรู้เสียงกินรสร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเพียงแต่ภาชนะเันเพียงแต่เครื่องมือ เหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวีดีโอเนี้ยก็ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเสียงได้แต่ตัวกล้องมันไม่รู้หรอกว่ามันมันถ่ายภาพอะไรมันบันทึกเสียงอะไรผู้ที่รู้ก็คือผู้ใช้ผู้ใช้เครื่องวีดีโอนัเครื่องกล้องถ่ายรูปนั้นใจก็เป็นผู้ใช้ร่างกายให้ไปถ่ายรูปไปบันทึกเสียงไปไปสัมผัส ก, กับกิ่นรสตายต่ า, างๆแล้วใจ น, นี่แหละเป็นผู้ที่คิดว่าดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่สุขหรือไม่สุข ทุกข์หรืไม่ทุกขเนี่ยใจทั้งอยู่ที่ใจทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่สมองคุณใบ ย, ยกครับลูกปล่อยวางในความตายได้แต่ยังกลัวความเจ็บเจ้าค่ะลูกกาลังฝึกตนขั้นแรกในการได้ยินเสียงที่ชอบและไม่ชอบให้ใจวางเฉยทําได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าค่ะก็ต้องฝึกกับเรื่องความเจ็บด้วยเวลานั่งสมาธิเราเจ็บไปอย่างนี้มันแบบอยู่กับ ม, มันไปสมมติว่าเราเจ็บไายได้เปิดมันว่าต้องเจ็บแบบนี้แหละ แล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีมันไปได้ถึงแม้จะกินยามันก็มันเทาเป็นพักๆไปเท่านั้นเองแร้วเราต้องฝึกถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราอยากจะพ้นจากความกลัวความเจ็บเราต้องฝึกอยู่กับมันให้ได้ก็วิธีหนึ่งก็คือ ห, หัดชอบมันเสียหดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบที่เรากลัวเพราะเราไม่ชอบมันเท่านั้นเองสิ่งนั้นที่เราชอบนี่เราจะไม่กลัวใช่ไหมเช่นคนที่ชอบกินของเผ็ดนี่เขาไม่กลัวความเผ็ดนะ แต่คนที่ไม่ชอบกินของเผ็ดใช่ไหมแต่นิดเดียวก็ไม่เอาละกลัวแล้วกินไม่ได้มันอยู่ที่การฝึกฝนอบลงปรับปรับใจใหม่ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพความเป็นจริงถ้าต้องเจ็บก็หัดชอบมันซะถ้าชอบมันแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะไม่ชอบเท่านั้นเองปรับใจ พระอาจารย์แต่ก็มีบางคนชอบความเจ็บปวดอย่างเงี้ยครับที่เป็นโรคจิตเนี่ยพวกสารดิดก็ <laughs> มีบ้างแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กลัวนะเพขาเห็นแต่ว่าเขาอาจจะไ ม, ไม่ไม่น่ใจว่าใจเขาจะจ ะ, จะเป็นยังไงแต่คิดว่างไงเขาก็ยังกลัวอยู่เพีงแต่ว่าเขาฝืนบังคับมันไม่ให้กลัวมั่านั้นก็ดีไปอย่างเขาก็จะไม่จะได้ไม่กลัวความเจ็บได้ คุณมาริสาครับคนที่มีกิเลสและความอยากได้มากยิ่งมีความทุกข์กับการที่จะยอมรับความจริงมากใช่ไหมครับใช่เพราะความจริงมักความจริงมักจะฝืนกับความอยากขัดกับความอยากจึงสอนให้นักปฏิบัติพยายามดูความจริงอย่าไปดูที่ความอยากความจริงเป็นยังไงหัดทำใจให้รับกับความจริงนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะจะทำให้ม่ทุก ทเราทุกขพรเราไปมองที่ความอยากอยากให้มันเป็นอย่างนี้ที่มันขัดกับความจริงแต่ไม่ยอมรับความจริงอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกคุณอัชลาครับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราเป็นคนใจร้อนสมาธิค่อนข้างสั้นโอกาสที่ใจเราจะนิ่งแม้จะภาวนาพุทธโธตามคําสอนของพระอาจารย์จะมีวิธีไหนที่จะทําให้ใจเราเย็นลงได้เจ้าคะ่ะก็เนี่ยนะพ่อ พยายามภาวนาะพุโทโธแต่ทําทําให้มากเท่านั้นเองเราทำตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิการบริกรรมพุโทโธนี่เราทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ถ้าเป็นกิจเป็นกิ จ, จวัตรกิ จ, จกรรมที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นตื่นมาตอนเช้านี่เราไม่ต้อแทบไม่ต้องใช้ความคิดเลยเวลาที่เราไปเตรียมตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับปทานอาหารนี่เราแทบจะไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้ เวลาั้นนะเป็นเวลาที่เราควรจะฝึกสติกันฝึกบริกรรมพุทธโธกันถ้าเราได้ฝึกอย่างน้อยชั่วโมงสองชั่วโมงในช่วงนั้นได้เนี่ยเราจะมีกําลังแในเวลานั่งสมาธิเราจะทําใจให้ให้นิ่งให้สงบได้ให้เย็นลงได้ในเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจรุ่มร้อนเราก็สามารถบริกรรมพุทโธไปเพียงไม่กี่นาทีไหมใจก็เย็นลงได้ทันทีดงั้นพยายามหัดฝึกพุทโธนะ พุโทโธที่เป็นเหมือนน้าดับไฟในใจเราต้องไปสะสมน้ําดับใจในดับไฟให้มันมีมากๆอันนี้เราไม่มีเลยบริกรรมพุโทโธได้แค่คำสองคาก็หมดแรงนะนต้องมาหาฝึกบริกรรมพุโทโธให้มากๆจนกระทั่งเราสามารถบริกรรมพุโทโธเป็นนาทีเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีได้อย่างเนี้ยเวลาที่เวลาใจเราร้อนขึ้นมาเราก็สามารถบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่งใจมันก็จะเย็นลง ถ้าเราไม่สดเเราก็เหมือนกันเราไม่มีน้ําน้ํามาดับไฟในใจของเราเลยคุณลินรดาครับวันที่ทําการชาปน ก, กิจศพคุณแม่ลูกไม่มีแม้แต่น้ําตาเลยเจ้าค่ะทานั้งที่ลูกรักคุณแม่มากที่สุดตลอดระยะเวลา เ, ลาเกือบสองปีปฏิบัติกับท่านอย่างดีที่ทุกคนพบเห็นบอกว่าผู้ดูแลดีมากแต่ลูกก็ยังคิดว่าไม่ดีที่สุดเจ้าค่ะ คุณพริตตี้ครับทำไมนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับคะต้องเปลี่ยนมานั่งสมาธิตอนเช้าครับอันจะเป็นเพราะว่าเราเราเพ่งมากเกินไปแรงเกินไปสติแรงเกินไปมันก็อาจจะทําให้จิต น, นอนไม่หลับเราต้องทําแบบกลางๆอย่าไปเพ่งมันมากแรงจนเกินไปคุณมีนาครับ คืนก่อนตื่นมากลางดึกปวดศีรษะเวียนหัวมากจนอาเจียนมากพยายามพุโทโธแต่เอาไม่อยู่นอนดัวการปวดไปแต่ไม่สามารถใช้พุโทโธสู้ได้เลยอยากขอคำแนะนำค่ะว่าถึงตอนนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับก็อาจจะเป็นเพราะ่าพุโทโธเราอย่างมีน้อยไม่มีกำลังพอเ ร, เราพยายามฝึกพุโทโธให้มีมากขึ้นไปเรื่อยเพราะถ้าเราไมพุโทโธมากใจเราจะนื่องเฉยได้ ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดศีรษะของร่างกายไม่หายมันก็จะไม่มาทําให้ร่างทำให้จิตใจเราทุกข์การใช้พุโทโธนี้ไม่ได้มาแก้อาการป่วยของร่างกายมามาแก้อาการทุกข์ของใจไม่ไปใจไปทุกข์กับอาการป่วยของร่างกายเท่านั้นเองเั้น mm. ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธความเจ็บม็ยังมีอยู่อาการปวดศีรษะก็ยังมีอยู่อ า, ายย อ, ยอาการอาจเจียนก็ยังอาจจะมีอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าใจเราไม่เราไม่ทุกข์กับมัน คุณนัทธวไลพันธุ์ครับโยงเรียนถามเทศกาลกินเจสิบวันเพิ่งผ่านพ้นไปมีผู้คนทานเจจํานวนมากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในช่วงนี้จึงมีน้อยลงมากยืดอายุให้สัตว์ที่จะถูกฆ่าได้อยู่กับครอบครัวเพื่อนเพื่อนอีสิบวันอย่างนี้ถือเป็นการสร้างบุญไหมครับถ้าเราไม่ถ้าปกติเราฆ่าสัตว์แล้วเราเราเว้นการฆ่าสัตว์แล้วก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ในสิบวันเราไม่เคยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยเราก็ไม่ได้บุญอะไร พอเราได้แล้วไงการไม่ฆ่าสัตว์ของเราเนี่เราก็ได้บุญอยู่แล้วแล้วไม่ได้อยู่ที่การกินแล้วไม่กินคนที่จะได้บุญก็คือคนที่ฆ่าสัตว์มาขายเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพราะเขาก็ต้องยุติการฆ่าสัตว์ไว้ชั่วคราวแต่คนกิน mm hmm. กินเจไม่ได้บุญเลยอาจจะช่วยทําให้คนที่เขาฆ่าสัตว์นี้ได้บุญเขาคอดการฆ่าสัตว์อยู่สิบวัน mm hmm. เขาละการกระทําบาปไว้สิบวัน แต่พอเราเริ่มกินเนื้อสัตว์ใหม่ก็กลับมาฆ่าใหม่ให้ล่ะ ค, ครับคุณดําครับวันเปิดโลกทั้งสามสวรรค์นรกมนุษย์จะเห็นกันทั้งสามโลกเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสมัยพระเจ้ายังมีชีวิตเท่านั้นใช่ไหมครับมันมันเปิดไม่ได้หรอกมันเป็นเพียงแต่คําพูดเท่านั้นเองคืมันนรกสวรรค์มันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นคนจะเปิดได้ก็คือคนที่มีดวงตาเห็นธรรมคนที่ปฏิบัติธรรม แล้วก็สามารถมองเห็นตายพบได้ท่นเอง่จะเปิดให้คนมนุษย์ทั่วไปดูมันไม่มีหรอกมป็นไปไม่ได้ ค, คุณจงดีครับการพัดพรากที่เขาจากไปโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาทุกวันนี้ยังคิดถึงเป็นทุกข์ยังยอมรับความจริงไม่ได้ควรทําอย่างไรจะวางจิตเราอย่างไรครับเราต้องยอมรับความจริง ม, มันเป็นอดีตไปแล้วอย่างที่คนเมื่อกี้เขาพูดมันเป็นอดีตไปแล้วเราทาอะไรไม่ได้แล้ว เร า, รายอมรับความจริงเทานั้นเองครับคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันแต่ความคิดต่างกันเขาแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับเราด้านธร ร, รมะและออกแนวสรรรั่งสอนครั้งแรกโกรธและไม่ยอมรับแต่พิจารณาไปก็รู้ว่าเขาตอบเราด้วยความไม่รู้จึงไม่โกรธและพยายามให้ความรู้ด้านธรรมะ ท, ที่ถูกต้องแก่เขาอย่างนี้ถือว่ามีอุเบกขาไหมคะถ้าโกรธก็ไม่มีอุเบกขา แล้วถึงแม้ว่าถ้าเขาจะให้ความรู้ที่ที่ตกกับความเป็นจริงเราก็ไม่ควรโกรธเขาอยู่ดีแล้วควรจะขอบใจเขาที่เขาให้ความจริงกับเราไม่ว่าเขาจะให้ความจริงหรือไม่ให้ความจริงเราก็ไม่ควรโ ก, กรธทั้งสองสองด้านถ้าเขาไม่รู้เราก็จะรู้ว่าเขาไม่รู้ถ้าก็รู้ว่าเป็นความจริงแบบนี้เราก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ควรจะขอบใจเขา ไม่ควรจะโกรธเขาอย่างที่เราพูดถึงตอนต้นเนี่ยที่บอกให้เราปาวานาตัวเราให้พระสงปาวานาตนไว้ mm. เผื่อเวลาใครมาแนะนําอะไรมาพูดอะไรว่ากล่าวตักเตือนเราเราจะได้ไม่โกรธเขาเญาติเรควรจะปาวา น, น า, นาแล้วญาติยมจะสบายใจเวลาคุยกับใครแล้วจะไม่รู้สึกโกรธใคร mm. พอเราปวานาตัวเราเปิดกว้างะใครต้องการด่าเราตำหนตีตีตีเราโอเค เรียว่าเป็นเป็นเหมือนกับกระจกสองหน้าเราถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้าเราเราจะไม่รู้ตอนนี้หน้าตาเราเป็นยังไงแต่พอเรามีกระจกสองหน้าดูโอ้ยดูเนี่ยตอนนี้เรายังอ่าเปื่อนตรงนั้นเปื้อนตรงนี้เราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงให้มันดีได้นั่นเราควรจะขอบใจผู้ที่เขาชี้ความผิดของเราเพราะเป็นเหมือนผู้ชี้คุมทรัพย์ให้กับเรา คุณมุกี้ครับจากการที่กราบเรียนถามในรายการวิสัชนาอาทิตย์ที่แล้วที่ถามหลวงพ่อว่าที่นั่งสมาธิแล้วลูกมีอาการกดเกรงลูกตาขมับและรู้สึกประอืดประโอมทําให้ปวดหรือดึกที่ตานั้นสาเหตุจากการลูกจะป่วยไม่สบายเจ้าค่ะจึงเรียนหลวงพ่อทราบตอนนี้นั่งสมาธิมีความสงบมีความสุขดีครับ <Okay. S 1> คุณสุพัตราครับเวลาสวดมนต์แต่ไม่มีสมาธิต้องทําอย่างไรเจ้าคะ ก็อย่าสวดไปคิดไปต้องสวดอย่างเดียวอย่าปล่อยใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามบั ง, บงคับให้อยู่กับบทสวมดมนต์เพียงอย่างเดียวถ้ามันยังคิดอยู่ว่า จ, จะลองสวดช้าๆไปก่อนก็ได้อิติปิโสภะเกวะอะระหังสัมมามันบังคับให้เราต้องอยู่กับบทสวมดมนต์นี้ไปก่อนแตถ้าเราสวดไปแบบเพลินๆเหมือนเราคุยกันนี้บางทีมันก็จะสวดไปคิดไปในตัวมันก็เลยทาให้ใจไม่มีสมาธิ คุณจุ๊กครับทำบุญแล้วมีความอยากได้บุญเป็นกิเลสไหมครับความอยากได้บุญนี่มันไม่มันไม่ได้เป็นกิเลสมันเป็นธรรมถ้าเราไม่อยากได้บุญเราก็จะไม่ทําบุญนะเพราะความอยากได้บุญมันจะทําให้เราทําบุญแต่ <sk> <Yeah. S 1> ความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟืง่องเฟื่องนี่ยเป็นกิเลสมันไม่ได้ทําให้ใจเราสงบมีความสุขไม่ความสุขแบบแบบ แบบไม่สงบอ่ะมีความสุขแบบหิวโหยได้มาแล้วก็แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกมีความอยากเพิ่มขึ้นอีกไอ้ทำบุญแล้วมันจะทําให้ใจอิ่มใจสุขใจพอความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปคุณแพตครับเราจะแผ่มเมตตาให้ญาติที่ล่วงลับหลังการสวดมนต์หรือทําบุญได้ไหมครับไม่ได้หรอกนอกจากว่าถ้าเข้ามาหาเราเทนั้นเอง ก็เป็นดวงวิญญาณแล้วเข้ามาหาเรา ล, ล้วก็ต้อนรับของแผ่เมตตาคือการเป็นมีไม้ตีจิตต่อต่อบุคคลที่เข้ามามาพบปะกับเราแต่ถ้าเขาไม่มาก็ไม่มีทางที่จะให้แผ่เมตตาได้คุณนานาครับหนูวางแผนลาออกจากงานเพื่อมาให้เวลากับการปฏิบัติจริงๆ จ, จากเดิมที่คิดไว้ว่ารอไปอีกสิบปีเก็บเงินก่อน แต่มีคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราตายก่อนก็เท่ากับชีวิตนี้เกิดมาเพื่อวนกับการทำงานไม่ได้พักเท่านั้นเลยตัดสินใจว่าปีหน้าจะลาออกค่ะปัญหาคือที่บ้านไม่เห็นด้วยว่ามันขัดกับสังคมที่ต้องมีการงานที่มั่นคงแม่อยากให้หนูมีงานมีเงินแม่ลําบากตอนนี้เลยพยายามไม่คุยกับแม่ค่ะหนูทำถูกแล้วใช่ไหมคะเรื่องถ้าเราคุยกันไม่ได้ก็อยากคุยกัน เ, เป็นเรื่องมีคําพูดที่เราพูดกันว่าให้สังวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือน อย่าไปคุยเรื่องที่เราไม่เห็นตรงกันว่ามันจะทะเลาะกันให้คุยในเรื่องที่เรามีความเห็นตรงกันเนื่องการไม่พูดคุยในเรื่องที่เราไม่มีความเห็นตรงกันไม่เสียหายตรงไหนแล้วก็เฉยๆไปได้รับกวนต่างอยู่ไปคุณออดี้บอกว่ารบกวนกลับเรียนท่านอาจารย์ทีข่า ว, ว่าวันนี้ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สอนหน้ากุติคือโอสถรักษาอาการของใจยอย่างที่สุดครับครับ ในนี้พูเรื่องที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายชีวิตเรามีสองส่วนมีร่างกายและมีใจซึ่งต้องการที่พึ่งทั้งสองส่วนร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึ่งหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตใจก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกันก็เป็นต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันเแต่ปัจจัยสี่ของร่างของใจไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของของร่างกายอาหารของใจก็คือการทําบุญทาทาน เครื่องนู่นงห่มของใจก็คือศีลแล้วก็ที่วาสัยก็คือสมาธิแล้วยารักษาโลกของใจก็คือปัญญาธรรมะอษฐ์เป๊ะเลยเเครับอาจารย์ครับคุณเป๊ะครับชอบเปิดทมฟังตอนนั่งสมาธิเพราะรู้สึกมีสติมากกว่า ถ้าเอาสติอยู่กับธรรมที่ฟังแทนจะเป็นการทําสมาธิผิดวิธีไหมครับจะไม่ได้ผลหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกแต่มันมันเป็นการบ่งบอกว่าสติเรายังมีกําลังน้อยไม่สามารถที่จะพิ่งการบริกรรมนวดดูลมได้ด้วยของของเราเองเราต้องอาศัยเสียงทำเพราะการฟังธรรมมันง่ายกว่ามันเพีงแต่เพียงแต่ตั้งใจฟังก็ก็ติดอยู่กับเสียงนั่นเอง ถ้าต้องมาบริกรรมพุโทโธนี้มันต้องใช้มันต้องออกแรงมากขึ้นถ้าต้องการดูระไมใจมันก็ต้องใช้กําลังมากขึ้นซึ่งสติเรายังอาจจะไม่มีกําลังพอที่ทําอย่างนั้นได้เราก็เลยต้องอาศัยการการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่ความสงบมันจะได้ไม่เท่ากันการฟังธรรมนี้มันจะไม่มันไม่จะไม่รวมลงเปน็ปนปัญญาสมาธิได้มันเพียงทำให้ใจเย็นเย็ น, ยนสบาย ความคิดปรุงแต่งเบาบาลงไม่ฟุ้งซ่านอะไรทำเหานั้นแะ่อย่าทำให้ใจนิ่งเป็นอุเบกขานี้จะต้องอาศัยการบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจก็ซึ่งเราควรจะทําทต่อหลังจากที่เราฟังธรรมไปแล้วเพราะช่วงที่เราฟังธรรมเสร็จแล้วนี้ตอนนั้นเราจะมีสติมากพอที่เราจะสามารถดูลมหายใจได้หรือบริกรรมพุโทโธต่อไปได้ควรจะลองทำต่อไปถ้าาอยากจะให้ได้ผลมากดีดีกว่าได้ผลจากการฟังธรรม คุณเต้มสีครับเวลามีคนพูดว่าเราหน้าแก่หน้าดูสูงกว่าอายุจริงเราเฉยเฉยไม่โกรธหรือมีบางคนบอกว่าเราอ้วนเราก็ไม่โกรธอย่างนี้เรียกว่าเรายอมรับได้อย่างรวดเร็วในบางครั้งใช่ไหมคะถ้าเราไม่โกรธแสดงว่าเราเราเร า, เราเฉยเฉยเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนจะว่ามีอุเบกขาก็ได้จะว่าเรายอมรับับจริงก็ได้คือความจริงคือคําพูดของเขามันจะพูดอะไรเาก็พูดได้ก็ปล่อยก็พูดไป คุณปุ้เป้ครับพะร่างกายมีปัญหาร่างกายผ่าตัดตั้งแต่ขาถึงสมองและเสื่ออุปกรณ์ในสมองแต่ใจสุขดีเจ้าค่ะความฝันหายไม่กลัวตายหลับสบายยาไม่ค่อยได้ทานอารมณ์เลยหยุดแต่บ้านไม่ค่อยจะออกไปไหนเจ้าค่ะเปิดตาทำความสะอาดบ้านหลับตาเข้าไปชาร์จแบตให้ใจเจ้าข่าวใจมีแรงร่างกายเลยมีแรงไปด้วยต้องปฏิบัติตลอดถึงจะมีแรงร่างกายหนุ่มมือนรถยนต์แต่ต้องเติมกําลังทางใจจากการปฏิบัติและฟังธรรมเจ้าค่ขอถูกต้องนะ้วเปานกระทําที่ ที่ถูกตั้งสุปฏิปันโนคุณสิงโตครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับระหว่างวันอะไรเด่นก็พิจารณาตามความเป็นจริงดูการเกิดดับครับส่วนการนั่งภาวนาดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ยังไม่ถึงอั ป, ปนาสมาธิกระผมจะทําอย่างสม่ําเสมอแบบไม่คาดหวังครับแต่จะทำไปเรื่อยๆอย่างสม่าเสมอครับสาาจาถ้าไม่อยากเป็นก็อย่าพิ่งพิาจารณากันดีกว่าแต่ถ้าจําเป็นยังต้องพิจารณาก็พิจารณาได้ ถ้าพิจารณาบางทีมันอาจจะทำให้ใจเราฟุ้งขึ้นมาได้เพราะมันอาจจะพิจารณาเลยเถิดอากปัญญาจะมันอาจจะกลายเป็นอาจจะไ ป, เ ป, เ, ปเป็นกิเลสก็ได้นั้นก็ต้องระวังในช่วงที่เรายังฝึกสติอยู่แล้วควรจะอย่าคิดจะดีกว่าเพราะจากมันจะเป็นจริงๆที่เราคิดเขาค่อยคิด ถามพาาระอาจารย์ครับตอนนั้นพาาระอาจารย์ฝึกสติอยู่แล้วมาพิจารณาปัญญานี่ใช้เวลานานกี่เดือนกี่ปีอะครับพาาระอาจารย์ครับเราก็ไม่ได้ไปไปไปคำนดแหรือไปไปไปเฝ้าอยู่ลรวก็ปฏิบัติไปตามความเหมาะสมคือคือเรารู้สึกว่าเราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็เวลาจากสมาธิ ถ้าเราให้เจริญสติเราก็มักจะพิจารณาปัญญาไปเพราะเราตอนที่เราเริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆนี้นั่งไม่นไมนั่งไม่กี่ครั้งจิตมันก็สงบได้ได้คันดีกะสมาธิขึ้นมาได้ H o b, ชั่วแวบหนึ่งแล้วพอเริ่มฝึกสตินั่งสมาธิมากขึ้นเหมือนก็นั่งได้นานขึ้นสงบได้นานขึ้นเราก็เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็มักจะพิจารณาปัญญาหรืออ่านหนังสือธรรมะสลับกันไป เวลาพิจารณาปัญญาพระอาจารย์คิดเรื่องอะไรครับอาจารย์ก็ร่างกายก่อนนะร่างกายตมันเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเป็นในน้ำนมใส่ไม่แยกดูเราของเราออย่าไปทุกข์กับมันมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันทุกข์ไปวิทยานก็ต้องไปอดฝึกยอมรับความเจ็บของร่างกายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นทุกขเวทนาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามนะให้มันเจ็บแล้วทนนั่งของมันไปโดยการใช้สติหรือ การใช้เป็นปัญญาวางข้างก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะคุณวีนานครับฟ้าร้องดังมากน่ากลัวมากเราต้องทำอย่างไรไม่ให้กลัวคะถ้านั่งสมาธิไปบ่อยจะช่วยทำให้เราไม่กลัวได้ไหมครับได้ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยเฉยเราก็จะรู้ว่ามัรเากาศเคลื่อนเราก็ผ่านไปไม่มีอะไรน่ากลัว คุณปาริชาติครับรับฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันเป็นธรรมะจากใจสูจ่ใจจริ ง, รงๆเข้าใจง่ายฟังแล้วมีความสุขใจสบายใจค่ะโยมขอเรียนถามว่าถือศีนแปดทานผลไม้แทนอาหารเย็นได้ไหมครับก็ต้องกินยาเจ้าค่ะไม่ได้หรอก ถ, ถ้าถือสีนแปดนี้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งผลไม้ก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่ง คุณจุลาลัตครับพระอนาคามีมัตตอนหัตมัตต์ต้องตัดสังโยชน์ข้อไหนคะควรปฏิบัติเจริญวิปัสสนาอย่างไรคะคือว่านางคามีก็ต้องตัดสังโยชน์คือการมาราธสัปพิคะการมราธะก็คือการยินดีในการเสพการมร่วมหลับนอนกันปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดใจอันนี้ต้องใช้อสุภะถึงจตัดสังโยชน์สองข้อนี้ได้ส่วนอนหัตมัตตก็ต้อง ละสังโน์เบื้องบทมีอยู่ห้าก็คือรู ป, ปราคาคือการความยินดีในรูปปัจจานอรู ป, ปราคะความยินดีในรูปปัจจานมานะการถือตัวอุทาจฉาความพุ่งสร้างแล้วก็อวิชาความหลงความไม่เห็นอริยสัจสี่อย่างชัดเจนครบถ้วนทุกกระบวนการยังมีอริยสัจสบางสัตว์บางส่วนที่ยังมองไม่เห็นที่ยังมีอยู่ในจิตอยู่ ถ้าละสังโยชนเหล่านี้ได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คุณอภิชาติครับถามพระอาจารย์ความแตกต่างระหว่างจิตกับเจตสิก ค, ครับจิตก็เป็นตัวมันมั น, เ ป, นเป็นเหมือนกับ เ, ออเป็นเหมือนกับหลอดไฟนะส่วนเจตสิกก็คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในหลอดไฟเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเจตสิก ลผลนี้เกิดจากการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารคืออารมณ์ต่างๆก็เป็นเจตสิกตัวจิตก็คือเป็นตัวรู้ตัวที่ตัวที่เป็นตัวตัวคุมคเจตสิกอีกที่หนึ่งคุณอิอสราครับทำอย่างไรจะยอมรับความตายได้คะ่ะก็ต้องคิดบ่ยบอยๆว่าเราต้องตายเราต้องตาย แล้วก็เฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็จะร้องจะจะรับความตายได้คุณเอกชัยครับหากเราบรรลุธรรมพระโสดาบันในชาตินี้สามารถลบล้างบาปกรรมที่เราได้ทําไว้ก่อนที่เราจะบรรลุธรรมไหมครับและคุณสมบัติของผู้ที่บรรลุธรรมพระโสดาบานนันมีอะไรบ้างครับคือเราไม่สามารถไปลบล้างบาปกรรมที่เราทําไว้เราได้ทําไปแล้วก็ต้องส่งผลกับเราไม่ช้าก็เร็ว ส่วนที่จะไม่ไม่รับผลของของของบาป ก, กรรมได้ก็ต้องคือเราต้องไม่ไม่กลับมาเกิดอีกท่า น, นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม้แต่พระพุทเจ้าก็ยังต้องรับวิบากกรรมของท่านเช่นพระเทวทัศนนี่ก็เคยเป็นเคยเคยมีปัญหาเป็นคู่กรณีกันมาพระเทวทัศนก็ยังมาตามฆ่าท่านได้อยู่แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปตามจับเราได้ต่อไป กรรมเก่าทั้งหลายมันก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ส่วนบาปกรรมที่เราทําที่จะส่งเราไปอบ า, านี้ถ้าเราเป็นพระโซเป็นพระระยะบุคคลตั้งแต่พระโสดนาบนันเรานี้แบาบปกรรมจะไม่สามารถส่งจิตเราไปเกิดในอบายได้เพราะจิตเรามีพลังต้านมีสติมีปัญญาต้านได้ส่วนคุณสมบัติของพระโสดาบันก็คือเน้นจะเป็นผู้ที่ไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรันตนตรัย พระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เป็นผู้ที่ยึดมาในศีลธรรมก็ให้ยึดติดกับอ ะ, อะไรเขาเรียกอะไรนะ ไ, ไซสัยศาสตร์หรือวิทยศาสตร์ต่างๆ ย, ยังไม่ไมไมไมยึดยึดอยู่ที่กดแทงกรรมเชื่อกดแทงกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสุขทุกข์อยู่ที่กรรมที่เราทำอาจารย์ครับแล้วเรื่องการผัดพาคนี้ประเสริฐอวบละได้นี้อยังครับอาจารย์ ได้ถ้าที่เกี่ยวกับร่างกายจะไม่ทุกข์จะไม่เสียใจแต่ยังยังมีความรักร่างกายของคนรักที่เรารักอยู่แต่ก็รู้ว่าเขาต้องจากไปคแต่แต่ยังมีความชอบอยู่ถ้ายังถ้ามีคนใหม่มาก็ยังอาจจะมีแฟนใหม่ได้ไครั บ, รบเพรายังไม่ได้ร่ากายประหลาดยังไม่เห็นอสุภะในร่างกาย คุณปลายฟ้าครับโยมนั่งสมาธิกําลังจะนิ่งได้ยินเสียงคนอื่นเสียงดังนานรอว่าเขาเดี๋ยวก็เงียบแต่ไม่เงียบแล้วก็ไม่เสียงในหัวโยมด่าเป็นคำหยาบแล้วโยมรู้สึกว่าเสียงคำหยาบนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราแบบนี้โยมเพิรเจอร์และสาราคิดไปเองไหมคะแ ล, แล้วขาดสติแล้วเราควรจะกลับมาทําสมาธิของเราต่ออย่าไปสนใจกับเสียงที่เราได้ยินแล้ะนั่งสมาธิที่เรามีสติอยู่คับอารมณ์ที่เราใช้กําหนดจิต ไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือดูโลมหายใจก็ให้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าปล่อยแล้วกาเพลนสติแล้วคุณม o ร a l i t y ครับจะทำยังไงคะรู้สึกอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายของชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรครับอลองศึกษาธรรมะแล้วลองหัดปฏิบัติตามคาสอนหนึ่งอย่างจริงจัง เราจะไดมสัมผัสกับความรู้สึกที่เราไม่เคยพบมาก่อนคือความสุขใจอิ่มใจเราจะเริเห็นว่าเป้าหมายเรามีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็คือพยายามสร้างความสุขใจนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นจนสามารถมีความสุขใจได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับคุณเจตครับบทสวดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษสามารถดูไดจากที่ไหนคะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยคะ่ะ ก็าหาได้นใน Google เน e ะี่ยส่วนคำว่า for foundation of mindfulness for ว่ า, า, า foundation ก็คือฐาน of mindfulness mindfulness ก็คือสติ for foundations of mind of mindfulness สว่วนใน Google แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราได้อ่านเยอะแยะไปหมดเลยคุณจอมานครับ เขาการกลับเรียนถามถ้าทำใจที่จะไม่คิดหวังผลจากการสวดมนต์ไม่ได้แล้วจึงไม่สวดนี้เป็นกิเลสใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่มักจะได้ยินได้เห็นว่าสวดมนต์เพื่อให้รวยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาครับก็อยู่ที่ว่าเราสวดเพื่ออะไรถ้าสวดเพื่อให้นั่งให้รวยมันก็เป็นกิเลสแต่ถ้าสวดเพื่อให้ได้สติให้ใจสงบมันก็เป็นธรรมะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไร คุณวีนาครับหนูเห็นคนที่เคี้ยวเข็นของเงินพ่อแม่แต่พ่อแม่บอกไม่มีคนนั้นกลับด่าว่าพ่อแม่จนพ่อแม่เครียดถือว่าคนนั้นบาปไหมครับก็วาจาไม่สุภาพว่ากล่าวพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้คนรจะเรียกว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งก็ได้บาปทางวาจาวาจาอยาบครคุณเพปครับ เคยได้ยินว่าสมัยพุทธกาลสวดโพชงคัขปาลิตช่วยรักษาโรคได้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นได้ครับมันรักษาไม่ได้เรากรคภัยทางร่างกายมันรักษาโรคภัยทางใจทําให้ใจหายทุกข์หายเครียดเมื่อใจหายทุกข์หายเครียดมีพลังถึงแม้ร่างกายมันจะเจ็บก็สามารถลุกขึ้นมาเดินมาทําอะไรได้เพราะใจมันมใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายแต่พอใจไม่มีกําลังขึ้นมาก็ เพราะเครียดหรือเพราะหมดกําลังใจเพรร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายทําอะไรได้มันก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่ต้องนอนติดเตียงไปแต่พอได้ยินได้ยินธรรมะคือโพชฌงต้องได้ยินนอกจากเข้าใจความหมายไม่ใช่ได้ยินแบบส่วนภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่เกิดปะระโยชน์เลยคือโพชฌงนี้บอกให้เราจเจริญโพชฌงทั้งเจ็ดเช่นสติอุเบกขาปัญญาเนี่ยพอเรา พอเราจําได้โอ้เราต้องมาเจริญสติแล้วต้องมานั่งต้องพิจารณาปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบรรทุกไม่ใช่ตัวเราของเราเี่ยพอมันเกิดก็อย่นี้มันก็ทําให้ใจในิหายทุกข์หายเครียดก็มีพลังขึ้นมาสามารถสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นไปทําอะไรได้ถ้าร่างกายมันไม่พิกลพิการถ้ามันเป็นเพราะมันเจ็บไข้ในป่วยเช่นเป็นไข้ยอย่างเงี้ยบางคนนอนสมเลยไม่มีเรื่อ ง, ไ ม, มองไม่มีแรงเพราะจิตใจมันไม่มีมมเรื่องไม่มีแรง แต่อจิตใจได้ธรรมะได้ธรรมะโอสถหายหายจากความทุกข์ทางใจนี้จิตใจก็เป็นปกติก็สามารถสั่งให้ร่างกายทําอะไรได้ถ้าร่างกายมันมันตอบคำล็อกคําสั่งได้ก็สามารถลุกขึ้นมาทําอะไรได้เหมือนกัคนไม่เจ็บไายได้ป่วยคุณศ ส, สิพรัตน์ครับลูกทําสมาธิบางทีจิตก็ว่างเปล่าไร้ร่างกายบางทีก็รู้สึกตัวแล้วเห็นแต่ซากศพ โครงกระดูกต่างๆบางทีเหมือนมีดวงตาอีกดวงอยู่ในร่างพาไปมองอวัยวะภายในร่างกายตลอดเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ครับก็ที่เห็นนี่บางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยพิจารณามาก่อนในด่ดีมันฝังอยู่ในใจเราพอจิตเราสงบมันก็โผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้รับเห็นได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะแล้วก็ควรที่เอามาเจริญต่อได้ ถ้าเป็นโครกระดูกนี่ถือว่าเป็นปัญญาถ้าเป็นสร้างสมนี้ถือว่าเป็นปัญญาแล้วก็เอามาพิจารณาต่อให้เราจดจําไว้ให้เราพิจารณาว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ ด, กดีก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คุณแพตครับการที่เราวางเฉยได้เวลามีคนชมแต่กลับทําใจไม่ได้มากเมื่อถูกตําหนิเป็นเพราะอะไรครับแก้ไขยอย่างไรครับเพราะเราไม่อยากให้เขาตาหนิเราไง เราต้องแก้ไขว่าเราต้องปภาวนาตัวเราเองกับทุกคนไม่ต้องไปบอกเขาเราเป็นแต่เราภาวนาในใจของเราเองว่าต่อไปนี้ถ้าใครอยากจะด่าเราขอเชิญด่าได้เต็มที่เลยยินดีรับฟังรับประกันได้ต่อไปเวลาใครก็ว่าอะไรเราก็จะเฉยได้เพราะเรายินดีรับฟังคำคําว่าเก่าตำหนิติเดเตือนคำดูถูกดูแคลนของคนอื่นเราภาวนาตัวเองอยูเลย อย่าไม่ต้องไปบอกชาวบ้านเขานะเ๋ยวาเขาจะหาว่าเราบ้าภาวนาภานาในใจเราก็พอต่อไปนี้เข้าไเจ้ายินดีรับคำว่ากล่าวตักเตือนตำหนิตีเตียนรูถูกดูแพ้นจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำได้ไหมนะถ้าทำได้แล้วรับประกันไดน้จะไม่มีจะไม่มีคำลุกเสกกรดเลยเวลาถูกตำหนิคุณธนวันครับ การใส่บาตรวันพระใหญ่กับใสบาตรวันธรร ม, ม, มดาที่ไม่ใช่วันพระได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะ่ะเท่ากันเท่ากันบุญ ม, มากน้อยไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ปริมาณการทําว่าทํามากทําน้อยครับคุณสิงโตครับการที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะไปเกิดในภพภูมินรกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาแต่จะเดินตามมรรคเพื่อมรรคผลนิพพานแต่หากตายไปขึ้นสวรรค์ก็ดีจะลงอบายภูมิก็ยอมรับได้ คิดะว่าทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นหากคิดแบบนี้ปกติไหมครับปกติมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอาบายนะแต่อย่างนไม่อย่างมันก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคุณแต้มสีครับ การเล่น Facebook อ่านข่าวสารดูข่าวสารใน Facebook มากๆเป็นการสร้างความฟุ้งซ่านให้เกิดขึ้นในจิตใจใช่ไหมคะอาจจะทำให้ทำสมาธิได้ไม่ค่อยดีเพราะรับสื่อมากไปดิฉันรู้สึกอย่างนั้นค่ะ ถ, ถูกต้องเวลาจะฝึกสมาธินี่ควจะตัดเรื่องรูปเสียงกลิ่นแล้วออกไปอย่าไปสัมพั์รับรู้กับเรื่องราวต่างๆจงดีกว่าเพราะมันจะมาเป็นนิวรนสร้างความฟุ้งซ่อนฟุงฟ้งซ่านได้กับใจเรา คุณองหุนเปรี้ยวครับการกำจัดความอยากได้ทำให้เรารู้สึกดีและอยากเอาชนะกิเลสตัวต่อไปเรื่อยๆแปลว่าเราต้องฝึกเจริญสติปัญญาให้กล้าแข็งขึ้นใช่ไหมคะใช่เพราะกิเลสมันมีกำลังแต่ละตัวมันไม่เท่ากันไงบางตัวมันก็กำลังน้อยสู้กับมันได้ง่ายบางตัวมันก็ยากมันก็ต้องเพิ่มกาลังสติปัญญาให้เพิ่มมากขึ้นไปคุณม็อกค่าครับ อธิบายผวังกับฌานมีสภาพวะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคาว่าผวังก็คือจิตเข้าไปในสู่ความสงบแความสงบของผวังนี้มีสงแบบผวังแบบมีสติกับผวังแบบไม่มีสติผวังแบบมีสติก็คือเข้าสมาธิเข้าฌานผวังแบบไม่ไม่มีสติก็คือการหลับเวลานอนหลับเราไม่มีสติแล้วก็เข้าผวั ง, งเรียกว่าผวางหลับ คนนั่งสมาที่บางคนสับสนเนี่ยพระบางทีเข้าผวังหลับแต่ไปคิดว่าเข้าเข้าผวังสมาธิว่านั่งไปรู้สึกจิตนิ่งเงียบหายไปพอลืมพอพอลืมตาขึ้นมาทีอา้าวถึงจะกลับมาจิตถึงจะกลับมานอันนี้เรียก ว, ว่าผวางหลับหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยในแสนดงว่ามีสติถ้ารู้เรื่องรู้ราวว่าจิตเราสงบจิตเราเย็นจิตเราสุขจิตเราสบายเป็นอุเบกขาเนเรียก ว, ว่าผวางของสมาธิ คุณจุรารัตน์ครับในทางพุทธศาสนารักษาโรคทางจิตเวชได้ไหมคะแน่นอนพุทธศาสนาเนี่เป็นวินชารักษาโรคจิตโดยตรงเลยคนที่ปฏิบัติได้นี่จะไม่มีไม่มีวันจะเป็นโรคจิตได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถ้าไม่ไม่มีวันที่ท่านจะมีความเครียดมีความมีความทุกข์มีความซึมเศร้าแต่อย่างใรจิตใจท่านเบิก บ, บานสว่างผ่องใสตลอดเวลา คุณทรายครับนั่งสมาธิอยู่แล้วได้ยินเสียงคนเดินวนรอบตัวแผ่เมตตาแล้วก็ยังได้ยินเสียงอยู่ควรทําอย่างไรดีครับมัน้องไปสนใจหรอกมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งของจิตเราความเป็นจริงมันไม่มีอะไรหรอกถึงมันจะมีก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปกังวลนถ้าเป็นเรื่อของจริงมันจะต้องมารอตอนที่เรานั่งสมาธิด้วยใช่ไหม <Okay. S 2> มันก็มาดเดินวนรอบเราตอนนี้ก็เดินได้ถ้าก็ถ้ามันจะมา เนี่นบางทีมันเนื่องความคิดปรุงแต่งของจิตเราปรุงไปเองนั่นเองอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่รอหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการอย่างอื่นที่เกิดขึ้นต้องมาตอนดับไฟด้วยครับพระอาจารย์ต้องดับไฟด้วยต้องมาตอนที่อยู่คนเดียวด้วย <c oughs> ถ้าอยู่หลายคนมันไม่มามันกลัวเรา <c oughs> บุณวอมครับถ้าการทําทานสามารถอุทิศบุญให้ผู้รงรับไปแล้วได้ถ้าเราสามารถรวมจิตเข้าไปในอัปปนาได้อย่างสม่ําเสมอแต่ในขณะที่รวมจิตได้ก็มีหลุดออกมาบ้างแต่ถ้านั่งไปสักพักก็สามารถกลับเข้าไปได้อีกและในการใช้ชีวิตเมื่อมีปัญหาก็สามารถเข้าใจตามความเป็นจริงได้และใช้ปัญญาดับทุกข์ได้อย่างนี้การทําสมาธิกับเจริญปัญญา ก, ก็สามารถอุทิศบุญให้ผู้รงรับได้และผู้รงรับสามารถได้บุญมากกว่าการทําทานใช่ไหมคะ อันนี้ก็ไม่ทราบนะเพราะพระพุทธเจ้าทำไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนว่าการอุทิศบุญเนี่ยให้อุทิศด้วยการทําทานเพียงอย่างเดียวคุณโจครับพยภผมพยายามนึกถึงความตายเป็นของธรรมดาแต่ทําไมเวลาตอนป่วยไข้ถึงรู้สึกว่าไม่อยากตายไม่อยากเจ็บป่วยรู้สึกหวงแหงร่างกายมากเลยครับต้องทํำยังไงถึงให้จิตยอมรับเรื่องความตายว่าเป็นของธรรมดาได้ครับเพราะเราไม่มีอเบกขาเน่ย ความหลกับความอยากมันยังยังมีกำลังอยู่เราต้องกดหรือตัดความกำลังของความหลงความอยากนี้ให้มันหมดไปพอมันอ่อนลงมันก็จะทําให้เรายอมรับความจริงได้จากครูจอสครับเรียนถามว่าผมจเจริญสมถะกรรมฐานประมาณหนึ่งถึงสองปีมานี้ผมทําทุกวันหลังสวดมนต์ทำวัดเช้าจิตนิ่งสงบแต่ไม่รวมมาหลายปีแล้วแต่จะนิ่งสงบเหมือนจะรวมลงแ ต, แต่ไม่รวม แบบนี้ผลบุญกุศลจะเกิดขึ้นหรื อ, อยังครับหรือจะเกิดตอนจิตรวมอย่างเดียวครับก็จจะเกิดขึ้นได้าบางส่วนแต่ยังไม่ไม่เต็มร้อยคุณเบสครับจิตสุดท้ายที่ว่าตายไปแล้วจะไปไหนมีคํากล่าวว่าถ้าคิดดีจะไปสวรรค์คิดไม่ดีตกนรกสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะกําหนดว่าตายแล้วไปไหนคืออะไรกฎแห่งกรรมจะยังมีผลหรือไม่และเราจําเป็นต้องฝึกจิตเพื่อเตรียมตัวตายอย่างไรครับ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดไม่ทราบกลายเป็นคนคิดคนขึ้นมาก็ไม่ทราบแล้วคำถามนี้ถามกันบ่อยแล้วกันจิตสุดท้ายถ้าคิดดีแล้วจะไปดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าทั้งชาทั้งปีทั้งชาติเราคิดแต่เรื่องไม่ดีพาเวลาจะตายจะพลิกมาคิดในเรื่องดีนี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกคิดไทยดีก่อนที่จะมาตายมันถึงจะคิดดีได้ตอนที่เราตายกฎแห่งกรรมยังทํางานอยู่กฎแห่งกรรมก็คือการคิดดีคิดเชื่อนี่ก็เรื่องอกฎแห่งกรรม ถ้าเราคิดดีมากกว่าคิดชั่วเวลาตายไปความคิดดีมันก็จะมีกำลังมากกว่าที่จะคิดไม่ดีมันก็จะพาเราไปสู่สุคติแต่ถ้าเราทำทำบาปมากกว่าทำบุญคิดคิดชั่วมากกว่าคิดดีเวลาตายไปความคิดชั่วนี้มันมีพลังมากกว่ามันก็จะมันก็จะคิดชั่วในตอนที่เราตายมันก็จะส่งเราไปอบาย มันไม่ใช่อยู่ที่เราจะมาควบคุมบังคับสั่งได้ก็ดีเนี่ยยิ่ทั้งปีทั้งชาติเราก็ไม่ทําบุญไม่ต้องรักษาศีลให้เหนื่อยยากอยากจะกินเหล้าก็กินอยากจะเล่นการพนันก็เล่นอยากจะรักทรัพย์ก็รักไปทำอะไรก็ทำไปแต่พอเร า, าก่อนจะตายจิตสุดท้ายก็คิดพุดโทโธพุโทโธคิดได้หรือเล่าขณะตอนมีชีวิตอยู่นี้ให้ฝึกพุโทโธยังฝึกไม่ได้เลยแล้วตอนเวลาจะตายจะมีสติกําลังที่จะมาฝึกได้ยังไงเพราะนั้นจิตก็จะว้าวุ่น อา จ, จะหลงไปแล้วก็ได้สติอาจจะหมดไปแล้วก็ได้คุณสราวุธครับถ้าอยากเป็นคนดีเราต้องฝืนไม่ทำตามอานาจของกิเลสใช่ไหมครับแม้จะทุกข์แต่ต้องฝืนใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ากิเลสมันเด้งให้เราไปทำความเชื่อเราก็ต้องฝืนนต่กิเลสมันไม่เด้งเราไปทำความดีหรอกกิเลสมันต้องเดึงเราไปทำความเชื่อมากกว่าเราก็ต้องฝืน <c oughs> คุณเกรซครับอยากทราบค่ะว่าหากเราภาวนาด้วยยุบหนอพองหนอแล้วทิ้งช่วงไปนานจากการภาวนากลับมาทําอีกเราก็จะต้องเริ่มใหม่เลยใช่ไหมคะก็ลองทําดูเลยบ่ามันยังมีเหลืออยู่บางที่เราเคยทําไว้บางทีมันก็อาจจะมีเหลืออยู่ข้างๆก็ได้บางทีอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่กันแล้วกันขอให้ได้ทําก็แล้วกัน <c oughs> คุณธินกรครับขอพ้าอาจารย์แนะนําการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ครับอันนี้ถามมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตอบมาแล้วครับ <c oughs> เอ ก, กชัยครับการสวดมนต์เราสวดในใจแบบไม่ออกเสียงได้บุญไหมครับคือการสวดมนต์นี่ไม่จําเป็นจะต้องออกเสียงอเสียงในใจนะดีที่สุดจะได้บุญนะไม่ได้บุญก็อยู่ที่ว่าจิตเราสงบหรือไม่สงบถ้าจิตยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญไม่ว่าจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม คุณเกรทครับเวลารู้ทุกจะเห็นใจดิ้นๆินดูความจริงเห็นความบีบคั้นความอยากตันหาความยึดมองขันลงเป็นทุกขังและไม่ใช่เราแบบนี้เรียกว่ากำลังยอมรับความจริงไหมคะก็แล้วแต่ว่าความจริงมันเป็นอะไรตอนนั้นรับได้เปล่าเราทุกขเพราะเด่าเรานี่เรารับความจริงได้เปล่าถเราได้ความความทุกข์ความบีบคั้นมันก็จะหายไปคุณสิวะครับ ปกติเขาด้านซ้ายผมเกิดอุบัติเหตุนั่งไปทนานจัดาและทรมานแต่พอผมหยุดความคิดได้ใจและกายเหมือนแยกออกจากกันไม่มีความเจ็บปวดผมนั่งอย่างนั้นไปสักยะแล้วถอนออกจากสมาธิหากยังนั่งต่อไปเรื่อจะมีผลต่อขาฝั่งด้านซ้ายไหมครับก็ถ้าเราอยู่ในบทบะไซ้ำๆนานๆบาันงอาจจะมีผลกระทบทางร่างกายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักประมาณทัง ถ้าเรานั่งอยู่ในเระยบบทเดียวกันนี้มันทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมามากๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนเรียบบทนอกจากในช่วงที่เราอยากจะฝึกอยู่กับความเจ็บตอนนั้นเราก็ต้องฝืนแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราทดสอบว่าจิตใจเราอยู่กับความเจ็บได้หรือเมื่อเรารู้สึกว่านั่งไปแล้วจะมีผลเสียหายต่อร่างกายเราก็เปลี่ยนเรียาบไปคุณปราณีครับ หลังจากนั่งสมาธิแล้วนอนหลับเหมือนกับรู้สึกตัวตลอดเวลาเช้าตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกง่วงนอนเลยเป็นเพราะอะไรคะไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมีสติบ้างคุณการชะตาครับเราจะส่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ใช่มนุษย์ได้อย่างไรบ้างคะถ้าอยากให้เขายกโทษให้เราเราควรปฏิบัติอย่างไรครับเราต้องเจอเขาก่อนเจอเขาก็าก็กราบเขาวาเขาหรือมีข้าวมีของอะไรก็เส้นเขวไปให้เขาไป เขอยากจะได้รายก็ให้เขาไปต่อไปเขาก็จะไม่โกรธเราเวรกรร ม, มก็จะหมดไปถ้าเขาอยากจะฆ่าเราก็ต้องให้เขาฆ่าเราฆ้าไม่ได้ครับคุณสุภาพพรครับช่วงแรกที่จิตรวมได้มีปิติทั้งรูปเสียงครบหนึ่งปีออกวันพรรษานี้ค่ะแต่ตอนนี้ดูจิตได้ชัดขึ้นรู้สึกเฉยๆแบบนี้ก้าวหน้าไหมเจ้าค้าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ดูที่ว่าเราทุกมากหรือทุกน้อยลง ถ้าทุกน้อยลงก็ก้าวหน้าถ้าถ้าทุกเท่าเดินก็ไม่ก้าวหน้าคุณสราวุธครับถ้าเราเคยหลงผิดทำบาปมาแล้วแต่เรากลับตัวกลับใจไม่ทำอีกและสร้างความดีเราจะยังสามารถที่จะปฏิบัติจนถึงพระนิพพานได้ไหมครับอาจารย์ได้องคุลิมานก็ฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสเก้าคนพอเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้เลิกฆ่านะให้มาฆ่ากิเลส องค์ปริมาณกบ็บรรลุเป็นพระโสดาเป็นพระอาหารได้คุณปิญญวีครับบอกว่าเป็นแพนิคครับได้ธรรมะจากพระอาจารย์เป็นธรรมะโอสถทุกวันนี้นั่งสมาธิทุกคืนจากสามสิบนาทีตอนนี้นั่งได้นานเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะลองกลับอาจารย์ครับอสาธุะามมานะธรรมะโอสดพระเจ้าเนี่ยรักษาโรคกิบได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นคุณนัทธาครับ เวลานั่งสมาธิทําไมจิตหลุดตลอดเวลาแล้วก็ชอบง่วงนอนบางครั้งก็ชอบคิดว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรคิดน้อยใจตัวเองว่าทาําบุญไสบาตรตลอดทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีมีทุกตลอดเวลาเป็นเพราะเราไม่ปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะนราฝึกสติน้อยเอาฝึกสติน้อยเราพยายามฝึกสติก่อนที่มานั่งสมาธิฝึกหลายชั่วโมงเลยมีเวลาเมื่อไหร่ก็พุโทโธพุโทโธไปอยาป่ามปล่อยให้จิต ไปคิดเรื่องเรื่องเรื่อยเปื่อยเรื่อง เ, อ, ง เ, เ, อ, งเ อ, งอะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดให้มีอยว่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปในเวลานั่งจะมีสติทําให้จิตสงบได้ปล่อยวางได้ครับคุณจันทวันโนครับขอโอกาสพระอาจารย์ผมได้หลักใจในการรักษาสินแปตอนเข้าพรรษาที่พระอาจารย์เมตตาให้และรักษาได้ตลอดพรรษาและยังมีความสุขในสินแปดที่ได้รับรักษาน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตา และจะรักษาสิ่แปลกต่อไปครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนวทางใจให้มั่นคงด้วยครับก็นอกจากรักษาศิ่แปลกแล้วก็ไนฝึกสติอยู่เรื่อยๆจเจริญสติแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิบ่อยๆให้มากๆแล้วก็สลับกับการศึกษาฟังเทศฟังธรรมเนื้อหนังสือธรรมะไปด้วยอันนี้จะช่วยจเจริญสติจเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลําดับต่อไปครับ จากครูจอร์ดครับขอโอกาสอีกครั้งครับตลอดหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาผมได้สมาทานศินแปดและถือสินแปดจนครบแต่พอมาวันนี้สมาชิกในครอบครัวลูกๆและภรรยาร อ, อรับประทานอาหารเย็นกับผมแต่ผมได้ถือศินแปดมาตลอดก็จะกลับไปถือสินห้าจึงยากในการทําใจผมจึงอยากจะขอวิธีสอนในให้ยอมรับได้โดยไม่ทุกใจครับเพราะเราไปไปเล่นติดกับศินแปดเนี่ยศินแปดเมื่อเราถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องต้องหยุดล้วก็ ก็บอกใจแล้วว่าตอนนี้ขอพักไว้ก่อนแล้วก็กลับมารักษาสีหน้า้องที่เราทำอะไรแล้วมันก็ยึดติดได้แล้วพอเราจาจะเลิกมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้คุณสีนวนครับการใส่บาทหน้าบ้านกับถวายสังฆทานอันไหนถึงผู้ตายมากกว่ากันคะเท่ากันนะทำบุญแบบไหนก็ได้ เนื่องแต่บริจายเงินให้กับโรงพยาบาลสงในตอนนี้โอนเงินไปก็ได้ได้ได้บุญเหมือนกันเท่ากันถ้าบริมาลเงินที่เราบริจาคเท่ากันมันก็ทำแบบไหนก็ได้คุณพัฒระับมเมื่อสังขารเป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นหากต้องการพัฒนาให้ทนทุกต้องเจริญสติสัพชัญญาตามหลักมาสติปฐานใช่ไหมครับ ก็ต้องเจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นโยเบคาแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเมัน่อ น, นิจกรรมเกิดแล้วก็ต้องหลับไปเป็นธรรมดาคุณปิยรัตน์ครับถ้าลูกพูดดูถูกว่าแม่โง่ไม่ต้องสั่งสอนเขาเขารู้มากกว่าอีกดิฉันเสียใจมากค่ะคนทําใจอย่างไรกับลูกคะถ้าลูกแม่ ก็ต้องทำใจว่าเราได้ลูกทารพีแล้วนี่ลูกที่ไม่มีความกตัญญูกับแต่เวทีลูกที่ไม่มีสัมมาคารวะก็ต้องถือว่าเราได้ลูกที่ไม่ดีมาเป็นลูกของเราก็อย่าไปอย่าไปทุกข์กับเขายอมรับว่าเราเป็นเป็นเป็นเรื่องกรรมของเราก็แล้วกันที่เราต้องมาเจอกับคนอย่างนี้แต่อย่าไปทุกข์กับเขายอมรับแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราสอ่ก็นนะสอนเรื่องที่ดีแล้วนะเขาไม่ฟังก็เขาจะเอาเรื่องตามจันดานตามนิสัยของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้คุณอนุชนาตคอมเมนต์บอกตอนนี้ลูกปวดหัวฟังพระอาจารย์หายแล้วครับก็ <c oughs> ดีนะทํำเอาสวด ก, ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับม <c oughs> ันเกิดจากถ้าเกิดจากความเครียดมันก็หายได้นะโรคบางโรคมันเกิดจากความเครียดของทางทางใจมันเลยมีส่งผล ก, กระทบตอ่อทางร่างกาย อความเครียด่างใจหายไปโรคปวดต่างๆก็หายไปนี่มีนิทานเล่าอยู่เรื่องหนึ่งรู้สึกจะอยู่ในนิตยสารหมอชาวบ้านหลายสิบปีมาแนละ้วมั้มีมีภารูปหนึ่งชอบไปหาหมอเนึ่ยชอบปวดมาปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้หมอเ็าตรวจเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติหมอบอกไม่มีอะไรผิดปกตินะท่านเราชนะไม่นนกี่เดือนกลับมาอีกทีตอนรู้สึกนะ ลาสิกขาแนละ้วถ้าบอกว่าหมอว่าตอนนี้อาการต่างๆที่เคยเป็ น, นี้หายหมดแล้วมาเล่าให้หมอฟังอันนี้ก็เกิดจากความเครียดตานที่เป็นพระเป็นพระทําอะไรไม่ได้ยิ่งเลยมันลุ้มเล่าทําให้จิตใจเครียดจะเดิหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะสุจะทําอะไรก็ไม่ได้ต้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวก็เลยเครียดขึ้นมาพอเครียดมากๆมันก็เลยแผ่ไปที่ร่างกายถ้ารู้สึกปวดตรง น, นั้นเจ็บตรง น, นี้ขึ้นมา อาลาสิกาเวลาหายหมดในยโลกอย่งนี้คุณกดชพัดครับการปฏิบัติตามรูปแบบปกติจะนั่งภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกค่ะแต่บางครั้งก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจะพูดทุกๆห้านาทีเวลาภาวนาทําให้เราที่จิตกํำลังสงบมีความคิดที่ไม่ดีว่าท่านทําให้เราเสียสมาธิการภาวนาที่ถูกต้องคือต้องปฏิบัติเองไม่ต้องให้มีการนําปฏิบัติหรือเปล่าครับ ถูกต้องกาปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติเองแต่การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ต้องมีคนสอนต้องบอกแต่เวลานั่งเราไม่ต้องมีใครมาพาเรานั่งเรานั่งของเราเองได้คนรจะนั่งด้วยตัวเราเองจะดีกว่าคุณรัฐพันธ์ครับบอกว่าพระอาจารย์คะฟังอาจารย์มาเกือบปีจใจสงบดีค่ะเดือนหน้าหนูมีโอกาสฝึกวิปัสสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโกเรนก้าเขาใหญ่สิบวันนะครับ่าสาธุจะ คุณดุสราบอกหลวงพ่อเบื่อไหมครับต่อคำถามซ้ําๆมาหลายสิบปีแล้วครับอ๋อไม่เบื่อหรอกถ้ามันมันกอนเทมันมันซ้ําแต่มันก็มีประโยชน์เนาะเพราะคนที่มาฟังมันมีหลากหลายเลยกันเขาอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคําถามคำตอบเหล่านี้มาก่อนเขาฟังนอกจากคําถามที่มันมันไม่เข้าใจความหมายมันตอบยากมันก็จะเบื่อตรงนั้นเนาะเขาบางทีเขาได้ข้อมูลผิดๆมาแล้วก็มาถามอีกทีครับ มันก็เลยตอบยากแถ้าเป็นคําถามที่มาจากข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยมันตอบง่ายผมยังสังเกตว่าบางทีคําถามซ้ํากันป้าจารย์ก็ตอบแล้วให้ปัญญาได้ที่ต่างๆกันออกไปครับบางทีเลยต้องถามคําถามซ้ําให้ปอาจาย์ตอบด้วยครับใช่มันอาจจะมีหลายประเด็นด้วยกันที่เราสามารถยกมาตอบได้คุณอินวอนครับ ผมนั่งสมาธิในห้องที่มืดสนิทในตอนกลางมืดแต่เห็นแสงสว่างระหว่างนั่งสมาธิแต่สังนั้นไม่สว่างถึงขั้นแสบตาอยากเรียนถามว่าอาการนี้คืออะไรและหรือเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองครับก็มันมันแสงภายในใจเนี่ยซึ่งบรรยากาศจะจความปูุแต่งของจิตเราเองครับอันนั้นเรานอนหลับหลับตาเรายังสามารถฝันว่าเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้อันนั้นแหละมันก็เป็นความปูุแต่งของจิต คุณหครับกรณีเรานั่งสมาธิดูลมหายใจอยู่แล้วมีเสียงเปิดประตูหรือมีเสียงเรียกแล้วเราตกใจถือว่าเป็นปกติไหมครับก็แสดงว่าจิตเรายังไม่นิพอสติยังไม่มีกําลังไม่มากพอฝึกไปเรื่อยๆถ้าสติเรามากขึ้นใจเราก็จะแข็งขึ้นเราจะรู้สึกเฉยๆไม่ตกใจครับคุณสราวุธครับการฟังธรรมะควรฟังเวลาไหนดีครับอาจารย์ เวลาที่ะดวก่ว่างเมื่อไหร่ก็ฟังได้ต้องการจะฟังเมื่อไหร่ก็ฟังได้คุณแต้มสีบอกว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วดิฉันเคยคิดอยากบวชชีมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้บวชแต่ชอบคิดว่าถ้าเราบวชตั้งแต่สิบปีที่แล้วการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าแพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะหลวงตามหาบวท่านปฏิบัติสิบปีก็ก้าวหน้ามากแล้วค่ะก็อย่าให้ความคิดมันหลอกเขาเลยต้องเอาการกระทำดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ก็รีบไปบวชซนะ กินแล้วก็ไม่บวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นการเหลาตัวเราเองไปวันวั น, นึงให้เรารู้สึกสบายใจจะคุณสาร่าครับเวลาขับรถบนท้องถนนบางทีเห็นรถเข็นสัตว์บัวควายหมูไก่ก็จะแผ่เมตตาให้ขาสัดเหล่านั้นได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกจะได้บุญเข้าไปถ่ายชีวิตเ็ออมาสิเพืจะได้ความสุข เป็นเวลาไปถ่ายสัตว์ที่เขาจะเอาไปฆ่าถ่ายวัว<อ>ถ่ายควาย อ, อันนี้แสดงว่าเราให้ความเมตตาเขาเราช่วยมบรรเทาความทุกข์เงือดร้อนของเขาคือความตายเพียงแต่คิดในใจมันไม่ได้บุญหรอกคุณเต้เต้ครับการให้เงินหรือบำรุงบิดามารดาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้บุญไหมคะแล้วถ้าได้ได้น้อยกว่าคนให้คนที่ไม่รู้จักไหมคะสงสัยก็เรารักบิดามารดาย่อมอยากให้ท่านมีสุข แบบนี้นับเป็นกิเลส ข, ของเราไหมเหมือนซื้อของให้ตัวเองเป็นการสนองกิเลสตัวเองไม่ได้ทําจากจากใจครับก็บุนอยู่ที่ความรู้สึกในใจเหล่านั้ว่าเราสุขมากเราสุขน้อยถ้าเราสุขมากก็ได้บุญมากถ้าสุขน้อยเราก็ได้บุญน้อยคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณขันขันเกียวครับขอเรียนสอบถามถ้าเราไม่อยากเกิดอีกทําอย่างไรครับต้องหยุดความอยากสามอย่าง อยากในอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าหยุดความอยากสามไม่ น, าน่าเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกินได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เรียนพระอาจารย์ครับผมวันนี้มีเพื่อนๆนฟังใน f a c e b o o แปดร้อยี่สิบเก้าคนใน y o u ู u เจ็ดร้อยสามสิบหกคนครับในคับเฮาสิบคนวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันห้า้อยเจ็ดิบห้าคนครับวันนี้ก็มากไปไม่เศษหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าวันออกพรรษาก็ได้นะทุกคนก็เลยอยากจะทำบุญกันตองเช้าอาจจะไม่ได้สายบายก็เลยตอนเย็นมาฟังเทศฟังธรรมก็ได้ก็ดีขออนุโมทนากับทุกท่าน หวังว่าจะคงเกิดประโยชน์ไม่มากขน้อยในการที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปการสนทนาธรรมหลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความความเจริญก้าวหน้าหน่อยทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อข้องข้างคงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจเจรินพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ